วันนี้เป็นวันเสาร์ที่18เมษายนพุทธศักราช2563เป็นวันที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่คือ โควิดส9จิตใจของคนทั่วโลกไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่เกือบทุกประเทศทั่วโลกจิตใจของคนมีความทุกข์มีความไม่สบายใจกันมีความวิตกกมีความกังวล มีความหวาดกลัวต่อการที่จะติดโรคและอาจจะต้องเสียชีวิตไปแต่เหตุที่ทำให้ใจของคนทั้งโลกในขณะนี้ไม่สบายกันทุ ก, กันนั้นไม่ใช่เกิดจากโควิด1ิ เชื้อไวรัสโควิด -19 นี้ทำให้ร่างกายไม่สบายแต่ไม่สามารถทำให้จิตใจไม่สบายได้เหตุที่ทำให้จิตใจไม่สบายไม่ใช่โควิด -19 เเพราะว่ามีคนที่ไม่เดือดร้อนกับการแพร่ระบาด ของเจ้าโควิด19นี้มีจิตใจของคนบางคนที่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วิตกไม่กังวลกับการแพร่ระบาดของเจ้าโควิด19นี้บุคคลเหล่านี้คือใครบุคคลเหล่านี้ก็คือพระอาริยบุคคลนั่นเองตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป พระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์จิตใจของท่านนี้ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นี้เลยเพราะว่าจิตใจของท่านนั้นปราศจากเหตุหรือได้กำจัดเหตุ ที่มาสร้างความไม่สบายใจให้แก่ใจของท่านนั่นเองนี่แหละเราต้องมาทำความเข้าใจกันว่าใจของเราความไม่สบายใจของเรากับความไม่สบายใจของร่างกายของเรานี้เกิดจากสาเหตุที่ต่างกันสาเหตุที่ทำให้ร่างกายไม่สบาย คือการไปติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ใครถ้ามีเชื้อแล้วก็จะต้องเกิดอาการไม่สบายขึ้นมาไม่สบายมากไม่สบายน้อยบางคนก็ไม่ค่อยมีอาการเสียด้วยซ้ำไปบางคนก็มีอาการถึงกับต้องเข้าห้อง i c ซและบางคนก็ต้องถึงกับเสียชีวิตไปอันนี้เป็นเรื่องของร่างกาย เกิดจากการติดเชื้อโควิดสิบเก้าแต่ใจนี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อโควิด -19 คือความไม่สบายใจของใจนี้ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อของเจ้าโควิด -19 บเกนีความไม่สบายใจนี้เกิดจากเชื้อ ที่เราเรียกว่าสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิก็คือเป็นหนึ่งของโมหะอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้ความจริงโมหะคือความหลงสักกายทิฏฐินี้เป็นหนึ่งของของโมหะอวิชชาสักกายทิฏฐินี้แปลว่าอะไร ก็คือความเห็นทิฏฐิก็คือความเห็ น, กหนสากายะก็คือไปเห็นร่างกายว่าเป็นตัวเราเป็นเราเป็นของเราอันนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงนี้พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านได้พิสูจน์แล้วว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราจึงทำให้ท่านเหล่านั้นไม่ต้องทุกข์กับร่างกายของท่านเพราะท่านรู้ว่าร่างกายนั้นไม่ได้เป็นตัวท่านตัวท่านคือใครตัวท่านก็คือตัวจิตใจนี่เองหรือตัวดวงวิญญาณผู้รู้ผู้คิด ตัวนี้แหละเป็นตัวเราเป็นผู้ที่มาเกาะติดกับร่างกายอีกทีหนึ่งแล้วเนื่องจากตัวผู้รู้ผู้คิดนี้หรือตัวดวงวิญญาณนี้หรือจิตใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายพอมาเกาะติดกับร่างกายก็เลยไปเหมาว่าร่างกาย เป็นจิตเป็นใจไปเป็นผู้รู้ผู้คิดไปแล้วก็เลยทำให้เกิดความยึดติดขึ้นมายึดติดในร่างกายเพราะเมื่อมีอะไรเป็นของเราแล้วมันเป็นธรรมชาติของใจทุกดวงจะต้องยึดจะต้องติดจะต้องรักจะต้องห่วงแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมา อยากให้ของที่เป็นของของตนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมันต้องการให้มันสุขให้มันสบายให้มันดีไปตลอดนี่แหละคือตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจผู้รู้ผู้คิดนี้คือความหลงที่ทำให้ไปยึดไปติดกับร่างกาย แล้วก็ทําให้เกิดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองพอเกิดความอยากขึ้นมาความอยากนี้ก็คือสมุทยัยสมุทัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจความทุกข์ใจนเกิดจากความอยากอยากให้ร่างกายแข็งแรงอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย อยากให้ร่างกายไม่ตายจึงทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้มันก็ไม่ทุกข์ถ้าอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะไม่ทุกข์อยากให้ร่างกายไม่แก่มันไม่แก่ตามความอยากก็จะไม่ทุกข์อยากให้ร่างกายไม่ตาย แล้วถ้าร่างกายไม่ตายตามความอยากใจก็จะไม่ทุกข์เพราะใจได้สมความอยากนั่นเองเวลาใจได้อะไรตามความอยากของตนแล้วใจจะมีความสุขสังเกตดูเวลาเราอยากได้อะไรพอเราได้มาแล้วรู้สึกอย่างไรดีใจมีความสุขใจกันแต่ในทางตรงกันข้าม เวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ตามความอยากเราจะเสียใจเราจะไม่สบายใจนี่แหละคือที่มาของความไม่สบายใจของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราในปัจจุบันนี้ก็เกิดจากความอยากให้ร่างกายของเรานี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ติดเชื้อโควิดสิบเก้านี้อยากให้ร่างกายแข็งแรงอยากให้ร่างกายไม่ไม่ตายไปจากโรคโควิดสิบเก้านี้แต่ความจริงมันก็มาบอกเราว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะคนที่ติดโรค ก, ก็มีนะคนที่ติดโรคโควิดสิบเก้านี้ก็มีแล้วก็ตายจากโรคนี้ก็มี มันก็เลยทำให้ <c oughs> ใจของเราไม่สบายขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่เรายังไม่ได้ติดโรคทั้งๆ ท, ที่เรายังไม่ตายแต่พอรู้ว่ามีโอกาสที่จะติดได้ที่จะตายได้ <c oughs> มันก็เลยทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะความอยากของเราอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วย อยากไม่ให้ร่างกายตายเนี่ยปัญหามันเป็นขบวนการความอยากนี่มันเป็นตัวสุดท้ายตัวก่อนความอยากก็คือตัวอุปทานความไปยึดไปติดกับของที่มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคือไปยึดติดกับร่างกายแล้วก็ ความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเริ่มต้นที่ความหลงความไม่รู้ความจริงเลยทำให้เกิดความหลงความยึดติดแล้วก็เกิดความอยากแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาคือความไม่สบายใจที่คนทั้งโลกยกเว้นหวงเล็บพระอริยบุคคลเท่านั้น ที่จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความไม่สบายใจกับเรื่องราวของโรคระบาดในขณะนี้แต่นอกจากนั้นแล้วทุกคนมีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจมีความหวาดกลัวมีความวิตกมีความกังวลด้วยกันทั้งนั้นนี่แหละสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรา ได้ยินได้ฟังธรรมได้ศึกษาความรู้จากพระผู้รู้จริงเห็นจริงคือพระพุทธเจ้าร่ตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นมาทุกรูปนี้ท่านรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา ท่านรู้ว่าร่างกายนี้เป็นของธาตุสี่เป็นของธรรมชาติของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพราะร่างกายนี้มันมาจากธาตุสี่นี้เองร่างกายนี้มาจากธาตุสี่แล้วก็มีธาตุที่ห้าคือทารู้คือจิตใจหรือดวงวิญญาณมา ก็ติดกันแล้วก็มาเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายนี้ไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรเองได้ถ้าไม่มีผู้มาสั่งมาสอนผู้ที่มาสั่งมาสอนคือาธาตุรู้คือจิตใจหรือตอนที่ไม่มีร่างกายเราเรียกว่าดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณนี่แหละที่มาเกาะติดกับร่างกายตอนที่ร่างกายได้รับการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาหลังจากที่มีการผสมพัน์ระหว่างพันธุ์ของพ่อและพันธุ์ของแม่พันธุ์ของพ่อของแม่ก็คืออะไรก็คือธาตุนี่ธาตุน้ำน้ำสองหยดนะีธาตุน้ำที่มีธาตุดินอันละเอียด ผสมอยู่ในธาตุนั้นพอธาตุน้ำกับธาตุดินของพ่อและของแม่มาประกบกันเข้าก็เกิดการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาภายในท้องของแม่อาศัยธาตุสีของแม่เป็นผู้สนับสนุนให้ร่างกายจเจริญเติบโตขึ้นมา ในร่างกายของแม่นี้มีธาตุทั้งสี่มีธาตุน้ำที่ดื่มเข้าไปมีธาตุดินที่รับประทานเข้าไปเช่นอาหารชนิดต่างๆนี้มาจากธาตุดินข้าวนี้ต้องมีดินต้องปลูกบนดินผักต้องปลูกบนดินส่วนเนื้อสัตว์นี้เขาก็ต้องกินผักกินข้าว เขาถึงจะผลิตเนื้อสัตว์ขึ้นมาได้พอรับประทานเนื้อสัตว์ก็เท่ากับกินผักกินข้าวของเนื้อสัตว์นี่เองเข้าไปในร่างกายแม่เอาธาตุทั้งสี่เข้าไปในร่างกายอย่างต่อเนื่องลมหายใจนี่เข้าออกทุกเวลาต้องเติมธาตุลมอยู่ตลอดเวลา แล้วก็คอยเติมธาตุน้าเวลาที่เกิดอาการหิวน้ำขึ้นมาแล้วก็เติมธาตุดินเวลาที่เกิดความหิวข้าวขึ้นมาแล้วก็เติมธาตุไฟจากแสงจากแสงอาทิตย์นี้จากแสงแดดแสงแดดนี้จะมีทั้งแสงแล้วมีทั้งความร้อนร่างกายก็ดูด ซึมความร้อนเข้าไปในร่างกายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งร่างกายก็ผลิตความร้อนขึ้นมาเองจากการะสมของธาตุทั้งสามธาตุดินธาบน้ำธาตุลมพอเข้าไปรวมกันในร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นมาถ้าใครเคยศึกษาวิชาเคมีจะรู้ว่าเวลามีประ ปฏิกิริยาทางเคมีนี้จะมีความร้อนออกมาเอาของเย็นๆนี่แหละมาลองมารวมกันแล้วเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวกลายเป็นของร้อนขึ้นมาเอาสารบางชนิดเทเ้าไปในน้ำหรือใ น, ในของเหลวบางชนิดพอมันเริ่มมีปฏิกิริยาก็จะเกิดความร้อนขึ้นมา ชันใดร่างกายของเราก็ได้ความร้อนจากปฏิกิริยาของการผส ม, มของธาตุทั้งสามคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนั่นเองเป็นปฏิกิริยาเพื่อมาสร้างชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายให้งอกงามขึ้นมาให้เกิดขึ้นมาตอนต้นก็เป็นเพียงแค่น้ำสองหยด แล้วต่อมามันก็เริ่มมีอาการต่างๆของร่างกายขึ้นมามีครงกระดูกมีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีอวัยวะน้อยใหญ่ปรากฏขึ้นมาตามลำดับจนครบสามสิบสองอาการด้วยกันแล้วก็จะค่อยเจริญเติบโตสมัยนี้เรามีวิ ที่ที่จะดูทารกที่อยู่ในครรภ์ได้มีการใช้เอ็กซเรย์หรือมีการทำซีทีสแกนหรือมีการใช้อูทัสเซลทำให้สามารถเห็นภาพของทารกที่มีอยู่ในร่างกายได้เห็นว่าตอนนี้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมามากน้อยเพียงไร และยังสามารถรู้ด้วยว่ามีส่วนไหนที่เป็นส่วนบกพร่องของอวัยวะของร่างกายด้วยเรามีความสามารถพัฒนากันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแต่เราพัฒนาไปในทางศึกษาร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเรากัน เราไม่ได้มีใครมาสอนให้เรามาศึกษามาพัฒนาว่าร่างกายที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอยู่ในท้องแม่นี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวของเราไม่ได้เป็นของไขรทั้งนั้นผู้ที่มายึดมาติดมาครอบครองคือดวงจิตดวงวิญญาณ น, นี้เป็นเพียงผู้ที่มาครอบครอง เหมือนกับผู้ที่มาขับรถยนต์รถยนต์กับคนขับรถยนต์นี้เป็นคนละส่วนกันคนขับรถยนต์นี่มาขับรถยนต์เพื่อที่จะพาให้รถยนต์พาคนขับไปไหนมาไหนตามความต้องการของคนขับรถยนต์แต่คนขับรถยนต์กับรถยนต์นี้เป็นคนละส่วนกันไม่เกี่ยวข้องกัน รถยนต์เป็นอะไรไม่ได้ทำให้คนขับรถยนต์เป็นอะไรไปด้วยรถเสียไม่ได้ทำให้คนขับเสียด้วย <Yeah. S 1> ฉันใดจิตใจหรือดวงวิญญาณที่มาครอบครองร่างกายเพื่อที่จะใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆให้กับจิตใจ <Yeah. S 1> ก็เป็นเหมือนคนขับรถยนต์นี่ จิตใจนี้เป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้แก่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่คือความจริงที่ผู้รู้ผู้ที่ฉลาดระดับพระพุทธเจ้าที่จะสามารถรู้ได้ พอพระพุทธเจ้ารู้คนเดียวแล้วทีนี้คนอื่นก็รู้ตามได้เหมือนสมัยก่อนนี่คนสมัยก่อนนี้เขาคิดว่าโลกนี้แบนเขาไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลๆไม่กล้านั่งออกไปขอบทะเลกลัวถ้าไปสุดขอบทะเลแล้วเดี๋ยวจะตกออกจากโลกไปเพราะโลกนี้มันใหญ่ ความกลมของมันนี่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวคนที่อยู่บนพื้นผิวโลกนี้มันเหมือนกับตัวอะไรได้ ก, กว่าตัวมดสิกตัวมดที่อยู่บนผิวโลกนี้จะไม่จะคิดว่ามันแบนเพราะว่ามันไม่รู้สึกไม่เห็นส่วนโค้งส่วนวาลของโลกเลยทาให้ทุกคน นั้นมีวิจารณิฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าโลกนี้แบนเลยไม่มีใครกล้าที่จะไปไหนไกลๆก็จะไม่รู้ว่าในโลกนี้มีอะไรอีกมากมายไกลกองที่อยู่สุดขอบฟ้าไปอยู่สุดขอบทะเลสุดขอบท้องฟ้าไปเพราะไม่มีใครกล้าไปที่ขอบท้องฟ้ากัน กลัวจะตกออกจากโลกก็เลยไม่ได้มีการพัฒนาเหมือนกับที่หลังจากที่ได้เรียนรู้ว่าโลกนี้กลมต้องมีคนฉลาดที่เป็นคนช่างคิดช่างถามตัวเองว่าโลกนี้มันแบนจริงหรือเปล่าก็พยายามหาวิธีพิสูจน์ต่างๆเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นพวกดาราศาสตร์ด้วย วันนี้เขาชอบดูดาวเขาชอบส่องกล้องดูดาวแล้วดูขึ้นไปเห็นดวงดาวแต่และดวงมันก็กลมเหมนเป็นลูกบอลกลมเป็นเหมือนลูกบอลมันไม่มีดวงดาวดวงไหนที่มันแบนมันก็เลยต้องมาสรุปแล้วโลกนี้มันจะไปแบนโลกเดียวได้อย่างไรก็เลยพยายามหาวิธีสรุปเองก็ก มาดูเรือที่วิ่งเข้ามาจากฝจากทะเลเวลาที่เรือวิ่งมาไกลๆนี้สิ่งแรกที่จะเห็นนี่มไม่ได้เห็นตัวเรือพร้อมกันเลยถ้าผิวโลกมันแบนจริงเวลาเห็นตัวเห็นเรือนี่ต้องเห็นทั้งทั้งลําเลยเห็นทั้งลําเรือเห็นทั้งเสาธงแต่ทําไมเวลาดูเรือที่มาจากทะเลนี้ สิ่งแรกจะเห็นเห็นเห็นเสาธงก่อนเห็นส่วนที่มันสูงก่อนถึงค่อยเห็นส่วนที่มันต่ําต่อมาอเหมือนกับเวลาคนที่ขี่ม้าข้ามเขามาเวลาคนอยูอ่อีกด้านหนึ่งของเขาเห็นคนขี่ม้าข้ามเขามาจะไม่เห็นคนขี่ม้าพร้อมกันทั้งตัวะจะเห็นถ้าเขาปักเขาถือธงจะเห็นธงก่อนอ เราจะเห็นคนขี่แล้วถึงจะค่อยเห็นตัวมา้าเพราะว่าพื้นพื้นผิวที่เขาเม่งมานี้นั่งขี่ม้ามานี้มันโค้งเนะี่มันไม่เรียบมันไม่แบนเนเขาก็เลยได้ข้อสรุปว่าโลกนี้มันไม่แบนโลกนี้มันโคง้งมันเว้าเพียงแต่ว่าขนาดมันใหญ่โตมหาสารเมื่อเปรียบเทียบกับร่างกายของคนเนี่ย มันเลยทำให้ดูเหมือนกับว่าโลกนี้มันแบนมันราบพอเขาพิสูจน์ได้เขาก็ไม่กลัวแล้วเขาก็เลยกล้านั่งเรือออกไปพวกที่ชอบออกไปผจญภัยอยากที่จะไปค้นพบอะไรแปลกใหม่ๆเขาก็นั่งเรือออกไปจนเขาก็ได้พบทวีปใหม่ๆสมัยก่อนชาวยุโรปเขาคิดว่า ทวีปเขาเป็นทวีปเดียวที่อยู่บนโลกนี้แต่พอเขานั่งเรือไปทางตะวันตกเนี่ยนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปเจอเกาะต่างๆแล้วก็ไปเจอทวีปอเมริกาแล้วท้าวิ่งต่อไปเดี๋ยวก็ไปเจอทวีปเอเชียแล้วก็กลับมาที่ทวีปยุโรปโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกลับลําเรือ วิ่งไปทางเดียวไปทางตะวันตกทางเดียวในเมื่อโลกมันกลมในที่สุดมันก็จะต้องกลับมาที่เราเริ่มต้นกันนี่คือความสามารถของมนุษย์ในการที่จะศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่เขาไม่รู้ทำให้เขาเรียนรู้อะไรได้แล้วสามารถเอาความรู้นี้มาช่วยพัฒนา ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นได้คนที่อยู่ในทวีวิวโลกที่เป็นคนยากจนไม่มีที่ทำกินเขาก็อพยพไปที่ทวีปอเมริกามีที่ฟรีเยอะแยะไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียเงินไปจับจองได้เลยต้องการกี่ไร่ก็ไปจับจองเอาไปทำไร่ไถนาไปทำอะไรได้คนก็เลยมีการพัฒนาเนี่ย มีอาชีพมีรายได้กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาประเทศอเมริกาเลยกลายเป็นออาภิมหาอำนาจขึ้นมาจากการที่มีคนคิดคนเดียวว่าโลกนี้มันไม่แบนนะแล้วก็พิสูจน์ได้อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เป็นคนที่ชอบคิดชอบค้นคว้าเหมือนกันก็อยากจะรู้ว่า ร่างกายนี้มันเป็นตัวเราของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ลองไปดูจุดเริ่มต้นก็จุดเริ่มต้นก็มาจากพ่อจากแม่แล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นเพียงแค่น้ำสองหยดเท่านั้นเองที่มาผสมกันแล้วก็อาศัยท่าทั้งสี่ที่มาผสมปรุงแต่งให้เกิดอาการสามสิบสองขึ้นมา เกิดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันคข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูด นี่คืออาการต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของพวกเราทุกคนแล้วก็ส่งมาศึกษาด้วยการแยกอาการต่างๆเหล่านี้ออกมาทีละอาการเอาผมออกมาตัดผมทิ้งไปแล้วเราหายไปกับผมหรือเปล่าถ้าเราเป็นผมผมเป็นเราถ้าตัดผมทิ้งไปเราก็ต้องหายไปกับมัน่ย ไอ้โกนผมล้วเราก็ยังมีเหมือนเดิมรู้สึกว่ายังเป็นเราร้อยเปอร์ซนตอยู่ไม่ได้เป็นเราเก้าสิบห้าเอร์ซนยังเป็นเราร้อยเปอร์เซนอยู่ถอนขนออกไปก็ยังเป็นเราอยู่ร้อยเปอร์ซต์วดฟันฟันเสียถอนออกไปทิ้งไปก็ยังเป็นเราอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยเกิดอาการต้องตัดแข้งตัดขาตัดแขน ตัดไปเราก็ยังอยู่สมัยนี้บางทีก็ตัดลำไส้ออกไปเป็นมะเร็งก็ตัดลำไส้ออกไปเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไม่ได้บกพร่องไปกับอาการต่างๆของร่างกายหรือแม้แต่เปลี่ยนอวัยวะเราก็ยังเป็นเราอยู่เหมือนเดิมเอาอวัยวะของผู้หญิงมาใส่ของผู้ชายเราก็ไม่ได้กลายเป็นผู้หญิงไปกับเขา สมมติเปลี่ยนหัวใจเอาเกิดหัวใจเราไม่ดีแล้วมีหัวใจของคนตายเขาบริจาคเป็นผู้หญิงแต่ใช้ได้กับเราเขาก็ามาเปลี่ยนเอาหัวใจเก่าของเราออกไปแล้วหัวใจดีมาใส่แทนเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเรามันก็ไม่ได้กลายเป็นผู้หญิงไปเราเป็นผู้ชายเราก็ยังเป็นผู้ชายอยู่เพราะเรานี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้เป็นร่างกาย เราอยู่ในใจเราอยู่ในผู้รู้ผู้คิดนี่นี่คือขั้นตอนของการพิสูจน์การศึกษาแต่เพียงแต่การศึกษาการพิสูจน์นี้ยังไม่พอเพียงยังไม่สามารถที่จะไปทำลายสักกายทิฏฐินี้ได้แต่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดที่ทำให้เรามี ความศรัทธาขึ้นมาว่าอ๋อสิ่งที่พระพุทธเจ้านํามาเสนอนี้มันน่าสนใจน่าเชื่อเราแย้งไม่ได้นะเราไปแย้งคําพูดของพระเจ้าได้เปล่าว่าผมขนเล็บฟันนี้มันไม่ได้เป็นเราเพราะเวลาเราตัดผมขนไปมันก็เราก็ยังอยู่เนี้ยมันก็เป็นเรื่องของร่างกายมันไม่ได้เป็นเรื่องของเราเรื่องของเราคือผู้รู้ผู้คิดเนี่ย เวลาทุกนี้ใครใครทุกอ่ะก็ผู้รู้ผู้คิดนี่ที่ทุกนี่ไม่ใช่ร่างกายเวลาตัดผมไปนี้ร่างกายก็ไม่ทุกอ่ะแต่คนที่ตัดผมน่ะทุกเสียดายผมคนที่รักผมนี่พอต้องโกนหัวนี่โอ้โหเสียดายไม่อยากจะออกไปเจอใครเลยนั่นละคือใจผู้ที่ทุก ร่างกายเขาไม่ได้ทุกไปกับการสูญเสียอะไรต่างๆของเขาเสียผมไปเขาก็ไม่ทุกเสียขนไปก็ไม่ทุกเสียฟันไปก็ไม่ทุกตัดเล็บไปก็ไม่ทุกเนี่ยผู้ที่ทุกก็คือใจที่มาครอบครองร่างกายเท่านั้นเองแต่อันนี้เป็นเพียงการเรียนรู้ที่เรียกว่าสุตมยะยปัญญาความจริงที่เราเรียนรู้นี้ยังไม่มีกำลังพอ ที่จะไปหยุดความอยากถอนอุปทานแล้วก็ทำให้สกายเยอะทิฏฐินี้หายไปสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือต้องไปบำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้จะเป็นการมา ยยกกายยยกจิตออกจากกันแล้วก็จะเป็นการที่จะใช้ปัญญาที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้านี้มาคอยสอนใจเตือนใจหลังจากที่มีกำลังที่จะแยกจิตแยากกายได้แล้วพอเวลาใดที่เกิดสากายทิฏฐิเกิดอุปท า, านเกิดความอยากขึ้นมาก็เอาปัญญาที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้านี้ ที่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี้มาหยุดมันได้มาหยุดความอยากมาหยุดอุปทานมาหยุดสักกายทิฐิได้นต้องมีกําลังเบื้องต้นก่อนตอนนี้เราไม่มีกําลังที่จะแยกกายออกจากใจกันเราฟังได้เราได้ยินได้ฟังแต่เราก็ยังอดที่จะยึดติดกับร่างกายไม่ได้ ไม่เชื่อเดี๋ยวมียุงมาเกาะตัวหนึ่งดูเลยดูเสีว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยให้ยุงมันกัดมันกินไปไม่ได้ละเดี๋ยวพอเจ็บขึ้นมาเน่น<ม>ก็จะเกาขึ้นมาละคันขึ้นมาละ<ม>นั่นแหละเรายังเรากับร่างกายยังเป็นเนื้อหนังอันเดียวกันเป็นชิ้นส่วนอันเดียวกันที่เราจำเป็นที่จะต้องมา แยกมันออกจากกันให้ได้เหมือนโลหะบางชนิดนี้เช่นเหล็กนี้บางทีเขาจะมีส่วนผสมของโลหะชนิดอื่นอยู่ด้วยการที่เขาจะได้โลหะได้เหล็กที่บริสุทธิ์นี้เขาต้องทำอย่างไรเขาต้องใช้ไฟต้มต้มให้มันร้อนขึ้นมาจนกระทั่งมันเหลวแล้วเขาก็สามารถกรองแยกสิ่งที่มา เข้ามาผสมอยู่กับส่วนที่เป็นของเหล็กหรือทองใช่ไหมทองคำนี่บางทีเขาก็มีทองที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ร้อยเปอร์เซนตามีส่วนผสมของแร่ธาตุอย่างอื่นผสมอยู่ด้วยวิธีที่ก็จะแยกทองคำร้อยเอร์เซ็นให้ออกจากส่วนที่มีส่วนอื่นที่มาผสมอยู่ด้วยเขาก็ต้องใช้วิธีเช่นตตองมันเผามัน ทำให้มันเหลวแล้วเขาก็มีขั้นตอนที่จะแยกของที่ไม่ใช่เป็นทองออกจากกันได้หรือน้าเนี่ยน้าที่ขุนเนี่ยสมัยก่อนชาวบ้านนี้ไม่มีน้ำป่าสมัยเป็นเด็กเนเราอยู่ต่างจังหวัดนี่ไม่มีน้ำป่าต้องไปตักน้ำจากในแม่น้ำน้าในแม่น้ำมันก็ขุนพอตักน้ำมาใส่ตุ่มแล้วเขามีสารส้ม เอาสารส้มมาแกว่งแล้วสารส้มนี้มันจะไปทำปฏิกิริยากับสิ่งที่อยู่ในน้ำให้มันเกาะตัวให้มันตกตะกอนแยกออกจากน้ำไปจึงทาให้เรามีน้าใสๆไว้ใช้ไว้กินไว้ดื่มได้นี่คือมาตรการของการแยกสิ่งที่มาผสมกันใจกับร่างกายก็เหมือนกัน ใจกับร่างกายก็เป็นสิ่งที่มาผสมกันจนเหนียวนั่นจนเป็นเนื้อเดีย ว, ยวกันพอมีอะไรมากระทบกับร่างกายพวกนี้ใจจะสะดุ้งขึ้นมาทันทีใจจะสันใจจะสันใจจะหวั่นไหวขึ้นมาทันทีใจจะวิตกใจจะหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะว่าใจกับร่างกายนี้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะฉนั้น เราจึงต้องมาแยกกายออกจากใจให้ได้แล้ววิธีแยกกายออกจากใจนี้ก็ต้องอาศัยส ม, มถภาวนานี่คือการทำใจให้สงบเพราะเวลาทำใจให้สงบนี้เราจะดึงกระแสของใจที่มาเกาะติดกับร่างกายให้แยกออกจากกันกระแสที่ใจส่งมาเกาะติดที่ตาหูจมูกนิ้นกายนี้เรียกว่าวิญญาณ วิญญาณของขันห้าวิญญาณขันหามาเกาะที่ตาเพื่อรับรูปเรียกว่าจักขุวิญญาณมาเกาะที่หูเพื่อรับเสียงเรียกว่าโสตะวิญญาณมาเกาะที่จมูกที่ลิ้นมาที่ร่างกายก็มีชื่อต่างๆไปตัวนี้แหละห้าตัวนี้แหละเป็นตัวที่เชื่อมร่างกายกับจิตใจ ให้เป็นเนื้อเป็นเนื้อหนังอันเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการภาวานานี่แหละเป็นการดึงกระแสของวิญญาณทั้งห้านี้ให้กลับเข้ามาในใจเหมือนกับเวลาเราปิดไฟฉายเวลาเปิดไฟฉายนี้เราจะส่งกระแสไฟออกจากหลอดไฟออกไปข้างนอกพอเราปิดไฟปับ๊บกระแสไฟมันจะหายไปเหมือนกับกลับเข้ามาอยู่ที่ ที่ตัวหลอดอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราภาวนาเราใช้อะไรเป็นตัวดึงดวงวิญญาณดึงกระแสของวิญญาณทั้งห้านี้ให้กลับเข้ามาในใจเราก็ใช้สตินี่เองนี่ยตัวสตินี่แหละเป็นตัวที่จะดึงใจให้ออกให้ดึงกระแสของวิญญาณทั้งห้านี้ ทั้งหโดยซ้ำมีกระแสหนึ่งวิญญาณที่หเรียกว่าธรรมารมณ์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่อยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่ก็จะถูกดึงทั้งหมดเลยทั้งหตัวนี้ดึงห้าตัวจากร่างกายแล้วก็ดึงตัวหนึ่งจากความคิดปรุงแต่งธรรมารมณ์นี้เกิดจากความคิดปรุงแต่งพอมีสติบริกรรมพุทโธพุทโธไป ผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทโธพุทโธหรือลมหายใจเข้าออกแล้วแต่วิธีของแต่ละบุคคลการที่จะใช้สติดึงวิญญาณทั้งห้าให้ออกจากร่างกายให้จิตเข้าสู่ความสงบนี้มีกรรมฐานหลายๆชนิดด้วยกันที่บุคคลผู้ปฏิบัตินี้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมแต่ถ้า ขั้นเวลาที่จะดึงให้มันเข้ามาอย่างเต็มที่นี้ส่วนใหญ่ต้องอยู่ในอิริยาบถคือท่านั่งต้องเข้าสมาธิแล้วเท่าที่ได้ยินจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติก็มีสองวิธีคือการบริกรรมพุทโธพุทโธ ท, ที่จะทำให้จิตรวมจิตรวมก็คือจิตถอนกระแสทั้งห้าออกจาก ร่างกายมารวมอยู่ที่ใจม่รวมอยู่ที่ผู้รู้หรือแต่สักแต่ว่ารู้ผู้รู้ส่วนใหญ่จะมีสองวิธีที่ได้ยินกันคือการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการใช้อานาปนสติดูลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในสติปัฏฐานสูตร ในสติปัฏฐานสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระไปนั่งอยู่ตามโคนไม้ไปนั่งอยู่ที่ที่สงบสงัดวิเวกไม่มีอะไรรบกวนใจเราก็ให้ตั้งสติดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกลมเข้าออกมันจะต้องเข้าออกอยู่แถวปลายจมูกจะมีการสัมผัส จะรับรู้ได้ตรงนั้นรู้ว่าตอนนี้ลมกําลังเข้ารู้ว่าลมกําลังออกถ้าลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวให้รู้ตามความเป็นจริงของลมคือไม่ให้ไปจัดการกับลมไม่ให้ไปบังคับลมให้หายใจ ย, ยาวๆลึกๆ ปล่อยให้ลมเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาไม่ต้องไปทำให้ลมมันละเอียดถ้ามันอยากปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันการภาวนาเพื่อทำใจให้สงบนี้ไม่ต้องการให้ใจทำอะไรต้องการให้ใจรู้เฉยๆเท่านั้นเองให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้โดยอาศัยลมนี้เป็นตัวที่จะดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้าตั้งใจดูลมจริงๆจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้<ม>ถ้าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แสดงว่าไม่ได้ดูลมแล้วนี่คือเคล็ดเคลของการภาวนาจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอยู่ตรงนี้ต้องรู้ทันนั่งดูลมแล้วเผลอไปนั่งคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องคิดว่าภาวนานี้แสดงว่า ไม่ใช่แล้วตกม้าไปแล้วม้าไปทางหนึ่งแล้วคนขี่ไปทางแล้วคนขี่คิดว่าอยู่กับลมที่ไหนได้ก็อยู่กับความคิดไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ลมเป็นยังไงตอนนั้นไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าลมเข้าหรือลมออกแล้วถ้ารู้ว่าลมเข้าลม อ, ออกทุกทุกเวลานาทีแสดงว่ายังขี่ม้าอยู่ถ้าขี่ม้าอยู่ไปเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าตกมาแล้วก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ขี่ม้ากลับบ้านแต่ตกม้าเสียก่อนหรือขี่ม้าไปกลางทางเห็นมีของเล่นหรือมีอะไรชอบกระโดดลงจากหลังม้าแล้วก็ไปเล่นไปเอาของเล่นของชอบมาม้าไปทางคนไปทางมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือไปไม่ถึงที่เราต้องการไปคือความสงบที่เราจะแยก ใจออกจากร่างกายนั่นเองการฝึกสตินี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการที่เราจะมาพิสูจน์ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าเราไม่สามารถมีสติเราจะไม่สามารถแยกจิตออกจากร่างกายได้ไม่สามารถแยกจิตออกจากสิ่งต่างๆที่จิตไปเกาะไปติดไปยึดแล้วก็ไปอยากแล้วก็ไปทุกข์ได้แต่ถ้าเรามีสติ สามารถแยกจิตออกจากสิ่งต่างๆที่จิตไปเกาะไปติดไปยึดไปอยากได้ต่อไปความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากสิ่งต่างๆนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับจิตอีกต่อไปเพราะจิตแยกออกจากสิ่งต่างๆได้เบื้องต้นนี้พระพุทธเจ้าสอนให้แยกร่างกายออกจากจิตให้ได้เพราะว่า ความทุกข์ที่เกิดจากการประยึดติดกับร่างกายนี้มันแสนสาหัสเนี่ยทุกคนนี่ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายกันอันนี้เป็นขั้นของผู้ปฏิบัติส่วนผู้ที่ยังเริ่มปฏิบัตินี้ท่านก็สอนให้แยกออกจากสิ่งภายนอกก่อนคือแยกออกจากร่างกายกับสิ่งภายนอกที่ไม่ใช่ร่างกาย คือเช่นทรัพ์สมบัติข้าวของเงินทองบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆให้ตัดให้ได้ก่อนเพราะถ้ายัางตัดของพวกง่ายๆไม่ได้จะไปตัดของยากนี้ตัดไม่ได้เพราะของง่ายของยากเราก็รู้ว่ามันต่างกันอย่างไรถ้ายัางวิ่งสิบกิโลไม่ได้ยังวิ่งมินิมาราธอนไม่ได้จะไปวิ่งมาราธอนได้อย่างไร ดงนนเบื้องต้นผู้ที่ต้องการที่จะมาแก้ปัญหาความทุกข์ทางใจนี่จําเป็นที่จะต้องตัดสิ่งภายนอกก่อนตัดรูปเสียงกฤฤฤฤฤฤฤิดลดผลทพะตัดลาบยศสละเส ร, รสิญตัดบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ตัดสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนเพราะเมื่อตัดได้แล้วก็จะไปบวชได้ถ้ายังตัดไม่ได้ก็ยังต้องคอย คอยดูแลรักษาสิ่งที่ยังติดยังลักยังหวงอยู่ถ้ายัางติดกับยศอยู่ยังติดกับตําแหน่งนายกนี้อยู่ไปบวชไม่ได้ถ้ายัางติดกับตําแหน่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ไปบวชไม่ได้ติดกับตําแหน่งที่จะเป็นาาประธานาธิบดีอยู่นี้ไปบวชไม่ได้ติดกับตําแหน่งเป็นภรรยาเป็นสามีก็ไปบวชไม่ได้ยังต้องทําหน้าที่ตําแหน่งของตนอยู่ะ ถ้าติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ไปไม่ได้ก็ต้องมาคอยดูแลทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าติดการสรรเสริญเยินยอก็ไปไม่ได้เพราะถ้าไม่มีคนสรรเสริญแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันจืดชืดวันไหนมีคนยกย่องเคารพนับถือหน่อยโอ้โหรู้สึกจิตใจสดชื่นเบิกบานขึ้นมา แล้วถ้ายังตัดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ได้ยังต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ยังต้องไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรต่างๆอยู่ก็จะไม่สามารถไปไปตัดสิ่งที่ยากกว่าได้คือไปตัดสัจกายทิฏฐิไปตัดร่างกายไปตัดขันห้าคือเนี่ยรูปคือร่างกายเวทนาก็คือความเจ็บของร่างกายเนี่ยความรู้สึกต่างๆของร่างกาย ต้องทำในเบื้องต้นนี้ตอนที่พูดนี้พูดถึงขั้นที่สองแล้วคือขั้นของร่างกายแล้วขั้นของผู้ที่ตัดสิ่งภายนอกได้แล้วพวกที่ไปบวชได้แล้วเนี่ยเพราะเวลาที่พระเจ้าทรงสแสดงทำสอนขั้นนี้ท่านสอนกับพวกนักบวชท่านสอนกับพระในสติปัฏฐานสี่นี่เป็นธรรมะที่ทรงสแสดงสอนให้กับนักบวชผู้ที่ละ ของภายนอกได้แล้วแต่ยังติดร่างกายยังยังทุกข์กับร่างกายอยู่นั่นเองจึงต้องมาสอนวิธีแก้ปัญหาเป็นข้อๆไปข้อแรกๆท่านละท่านทำได้แล้วท่านตัดครอบครัวได้แล้วท่านตัดราบยศสารเสรินได้แล้วท่านตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วแต่ท่านยังตัดร่างกายไม่ได้ ถ้ายังยึดติดกับร่างกายยังเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอยู่ก็ต้องมาเจริญสติมาเจริญสติก่อนเพราะว่าถ้าสติมีกำลังน้อยก็ไม่สามารถที่จะดึงวิญญาณทั้งห้าออกจากร่างกายได้ต้องมีสติที่มีกำลังมากกว่ากำลังของความอยากของอุปทานความยึดมั่นถือมั่น ที่จะคอยนึงจิตให้ไปเกาะติดอยู่กับร่างกายนั้นเองจึงต้องสร้างสติกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่มานั่งเฉยๆเท่านั้นถ้ามาเริ่มตั้งสติตอนที่มานั่งนี้ไม่ทันนั่งได้ไม่เดี๋ยวนั่งได้เดี๋ยวเดียวก็เกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เมื่อยตรงนั้นเมื่อยตรง น, น, รงนี้เกิดอาการรู้สึกอึดอัดขึ้นมา เดี๋ยวก็ทนนั่งไม่ได้เนี่ยเะฉนั้นผู้ที่จะมานั่งเพื่อแยกกายกับใจให้ออกจากการได้ต้องมีสติที่ต่อเนื่องนะที่เรียกว่าสัมปะชัญญะเนียถ้ายังเป็นสติล้มลุกคุกคานอยู่พุทโธได้สองคำหายไปแล้วไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้กว่าจะกลับมาครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วหรือล่าเริ่มฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วจนปวดหัวขึ้นมาแล้วถึงค่อยมาพุทโธใหม่ อันนี้ยังใช้ไม่ได้ต้องมีถ้าเผลอก็เผลอแบบแป๊บเดียวเผลอสักสองวิสามวิก็กลับมาแล้วเพราะเมื่อกี้เผลอไปอกลับมาพุโทโธใหม่เดี๋ยวใหม่ๆมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะล้มลุกคลุกคานไปเรื่อยๆต้องมีความอดทนต้องมีความพยายามมากอย่าท้อแท้อย่าเบื่อหน่ายในการเรื่องของการเจริญสติเพราะถ้าเกิดการ พอแทบเบื่อหน่ายในเรื่องของการเจริญสติแล้วจะไม่สามารถที่จะไปแยกกายแยกใจออกจากกันได้ต้องพยายามไปเรื่อยๆคิดว่าเราเป็นเหมือนเด็กทารกเด็กทารกทุกคนนี้ไม่ไม่ยอมแพ้ใช่ไหยเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมายืนเดี๋ยวลุกก็ลุกขึ้นมาเดินเดี๋ยวพอนั่งเดียวเดียวเดี๋ยวก็กลับขึ้นมายืนใหม่กลับมาเดินใหม่ จนในที่สุดนั่งกายก็แข็งแรงขึ้นมีกําลังวางชามากขึ้นต่อไปก็หยืนได้ต่อไปก็เดินได้วิ่งได้สติในเบื้องต้นก็เป็นเหมือนเด็กทารกนี่เองที่จะต้องล้มลุกคลุกคานไปเพราะเราไม่เคยเจริญสติกันเราปล่อยให้สติเป็นไปตามตามอารมณ์เป็นไปตามกําลังของมันเราก็เลยไม่ได้มาเจริญสติ เพราะหนึ่งเราก็ไม่รู้คุณค่าของการเจริญสติว่ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเราจึงมักจะไปเจริญสตังกันมากกว่าเจริญสติเพราะเราเห็นคุณค่าของสตังแต่คนฉลาดนี้จะเห็นคุณค่าของสติคนฉลาดว่ามาเจริญสติดีกว่าเจริญสตังแต่คนโง่นี้จะเห็นสตังนี้ดีกว่าสติคนโง่ถึงมักจะเจริญสตังกันหาสตังกัน คนส่วนคนฉลาดนี้จะหาสติกันเพราะคนฉลาดรู้ว่าการมีสตินี้จะทำให้สามารถแยกใจออกจากกายได้แล้วก็จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับร่างกายได้ต่อไปอันนี้จะรู้ได้ก็ต้องฟังเทศฟังธรรมก่อน ถ้ไม่ฟังเทศฟังธรรมก็ไม่เข้าใจว่าไปพุโทโธทําไมไปเจริญสติทําไมเหมือนชาวป่าชาวเขาเห็นหลวงปู่มั่นท่านเดินจงกรมอยู่ก็มาถามหลวงปู่เดินหาอะไรหลวงปู่ก็บอกหาพุโทโธไว้พวกผมช่วยหาให้หลวงปู่ได้ไหมได้ทํายังไงเนี่ยก็พุโทโธพุโทโธไปเดินไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปท่านก็เลยใช้อุบายสอนเขาไป ทั้งที่เขาไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเขาพุทโทพุโทโธรไปเดี๋ยวจิตบรรวมขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจะเห็นของแปลกประหลาดมาสะใจขึ้นมาเองว่าโอ้พุทโทวิเศษอย่างนี้เองจิตใจที่วุ่นวายสายแสจิตใจเราสับเราสายกลายเป็นจิตใจที่นิ่งเงียบสงบเป็นเหมือนคนละโลก เหมือนกับอยู่ที่ที่มีเสียงดงมีเสียงอึกทึกคลึกคมแล้วก็ดบเข้าไปอยู่ในห้องนี่ห้องที่อับเสียงห้องที่ไม่มีเสียงเข้าไปนี่มันจะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนคนละโลกเลยเวลาจิตรวมจากการบริกรรมนี้มันจะเป็นอย่างนั้นจิตที่กำลังเพลียกำลังฟุ้งซ่านกำลังวุ่นวายใจต่างๆพอได้พูดโทพุโทโธไปอย่างต่อเนื่องไม่นานจิตมันก็รวมลงได้ พอรวมลงปรับความเครียดความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจต่างๆจะหายไปแล้วจะเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวแล้วตอนนั้นร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับมันนนั่นแหละเป็นผลที่เกิดจากการที่เราจะริญสติกันจะรันสติแล้วเราจะแยกใจออกจากร่างกายได้เวลาใจรวมลงเป็นอัปปนาสมาธินี้ใจจะเป็นอุเบกขาจะมีความสุข แล้วก็จะไม่ต้รู้สึกเดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นลูกเสียงกลิ่นรสผลถ้าเวลามากระทบจะรู้สึกเฉยๆยุกมากัดก็เฉยๆคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็เฉยๆเจ็บเคยเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้พอจิตรวมแล้วก็อยู่กับความเจ็บกับความปวดได้บางทีความเจ็บความปวดของร่างกายก็หายไปได้น อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องการในเบื้องต้นนอกจากที่จะแยกจิตออกจากร่างกายแล้วยังทำให้จิตนี้ปล่อยวางร่างกายได้ด้วยเพราะตอนนั้นจิตจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการเป็นอะไรของร่างกายเพียงแต่ว่าการใช้สตินี้ทำได้เป็นเป็นช่วงราวการแยก กายกับจิตออกจากกานันด้วยสตินี้มันจะแยกออกได้ชั่วคราวพอกําลังของสติอ่อนลงกําลังของอุปทานของความอยากของสกายัทิติมีมากขึ้นกว่ากําลังของสติมันก็จะดึงจิตให้กลับมาเกาะติดกับร่างกายต่อไปเพราะว่าความอยากต้องการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายคือกามาชันทะมันก็จะดึงให้ ติดกับมาเกะติดกับร่างกายสังเกตดูวเวลานั่งสมาธิมีความสุขมากพอจากสมาธิปั๊บเดี๋ยวหิวแล้วเสีหิวขนมละหิวน้ำอยากจะดูนั่นหิวรูปหิวเสียงละนั่นละ่ะตอนนั้นสติหมดกำลังละอุเบกขาหมดไปแล้วทีนี้มันก็เกิดความอยากขึ้นมาผู้ปฏิบตัติผู้มีปัญญาจะวิเคราะห์เห็นว่าอ่อน นี่คือสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือต้องคอยคุมความอยากแล้วเพราะสติเราหมดแล้วถ้าเรายังไม่รู้จักใช้ปัญญาตอนนี้ก็ใช้สติไปก่อนพอ ร, รู้ว่าสติหมดกําลังเหมือนขับรถเห็นเกณฑ์ว่ามันเกือบจะสูญแล้วต้องแวะเข้าเติมเติมน้ํามันแล้วสติหมดแล้วถ้าใจเริ่มหิวแล้วทั้งๆที่ร่างกายยังไม่หิวยังไม่ถึงเวลากินนี่แสดงว่าใจหิวแล้ว เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาแล้วก็ต้องเจริญสติใหม่เจริญสติแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิใหม่ทำใจให้สงบใหม่ในเบื้องต้นจะต้องพยายามทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆพยายามทำใจให้เข้าสมาธิให้ได้บ่อยๆแล้วให้ได้นานๆแล้วให้ได้ชนานาญสามารถเข้าได้ทุกเวลานาทีพอเราสามารถสั่งให้จิตสงบได้เวลาที่เราต้องการ เราที่นี้เราค่อยมาเจริญปัญญาเพื่อที่จะมาละส ก, กายาคกทิิก็มาสอนใจตามที่พระเจ้าสอนให้ให้แยกนั่นเองก็มาดูจุดเริ่มต้นของร่างกายว่ามันมาจากไหนมันมาจากพ่อจากแม่มันมาเป็นเราของเราตั้งแต่เมื่อไหร่มันไม่มีมันเป็นของพ่อของแม่มารวมตัวกันแล้วก็อยู่ในท้องแม่แม่ก็ให้อาหารให้น้ําให้ลมให้ไฟ ให้ดินน้ำลมไฟร่างกายมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาใจก็เพียงแต่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายนี้เท่านั้นเองแล้วพอมันออกจากท้องแม่มันก็เติมธาตุดินน้ำลมไฟของมันเองหายใจเองดื่มน้ําเองกินอาหารเองทำมันก็เจริญเติบโตไปของมันไปเรื่อยๆจนในที่สุดพอมันเจริญเติบโตเต็มที่มันก็เริ่มนับถอยหลังมันก็เริ่มแก่ลงไปวันละน้อยวันน้อย ตาเดียวมันก็มีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามาโรคภัยจากอวัยวะต่างๆนี่แหละของที่มันเก่ามันเสื่อมมันก็ชำรุดทุดโทรมเหมือนกับอะไหล่รถยนต์ใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวเบรกก็เสียเดี๋ยวหม้อน้ําก็เสียเดี๋ยวล้ อ, อ ก, ก็เสียยางก็เสียก็ต้องมีการซ่อมบํารุงไปรถยนต์นี้ยังพอซ่อมบํารุงได้แต่ร่างกายบ า, บางทีมันไม่มีอะไหล่ มันก็ซ่อมเท่าที่ซ่อมได้แล้วถ้ามันซ่อมไม่ได้มันในที่สุดมันก็ต้องตายไปพอมันตายไปแล้วมันกลายเป็นลายต่อไปถ้าปล่อยมันทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวธาตุทั้งสี่มันจะแยกทางกันล่ะเพราะธาตุทั้งสี่นี้มันไม่อยู่มันไม่ชอบอยู่รวมกันมันถูกบังคับให้มารวมกันโดยธรรมชาติมันอยากจะกลับไปรวมกับธาตุของมันธาตุลมก็จะกลับไปหาลมก่อนแล่ะไปอยู่กับพวกลม ตามด้วยธาตุน้ำน้ำในร่างกายก็จะไหลออกมาแล้วธาตุไฟก็ไปร่างกายก็เย็นเฉียบจนในที่สุดก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นของแข็งที่เช่นหนังแห้งกรอบกระดูกเนื้ออวัยวะที่แห้งไปหมดแห้งจนกระทั่งต่อไปก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไปต้องพิจารณาให้เห็นเน่นี่คือร่างกายของเรา มันเป็นอะไรกันแนะ่มันก็เป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำนุ่มไฟที่มารวมตัวทำให้เกิดเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมานั่นเองเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ให้ร่างกายทำอะไรตามตา ม, ตามความอยากของใจได้เท่านั้นเองแต่มันเป็นของไม่เที่ยงในที่สุดมันก็ต้องพบกับจุดสิ้นสุดของมันใจคอยสอนใจ อยู่เรื่อยๆด้วยปัญญาแบบนี้ใจก็จะคลายความหลงใจก็จะลดความอยากให้ร่างกายไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้จนในที่สุดก็จะลดได้หมดเลยจะลดได้ไม่ได้ก็ถ้าคิดว่าลดได้แล้วก็ต้องไปพิสูจน์ก็มีวิธีพิสูจน์เช่นยัยงกลัวตายอยู่หรือเปล่าถ้ายังกลัวตายก็แสดงว่ายังรักตัวอยู่ลักตัวถึงกลัวตาย ถ้าไม่กลัวตายแล้วก็ลองไปดูไปอยู่ในป่าชา้าดูหรือ ไ, ไปดูในในป่านึกๆที่ไม่มีผู้มีคนมีสัตว์เสือร้ายต่างๆอยู่ะแล้วดูว่าใจจะสัน่นไหมเวลาได้ยินเสียงเสือคำรามเวลาเห็นงูลเลื่อยผ่านมาจะสะดุง้งจะกระโดดหรือเปล่าอันนี้มีวิธีพิสูจน์ว่าละสกะัยยัติทิฏฐิได้หรือเปล่า เวลาเจ็บถ้าไม่เจ็บก็นั่งให้มันเจ็บนั่งสมาธิไปจนมันเจ็บแล้วก็ไม่ต้องขยับไม่ต้องเปลี่ยนนิยยาบทปล่อยให้มันหายมันเองมันไม่หายก็อยู่กับมันไปอยู่แบบไม่เดือดร้อนได้หรือเปล่าถ้ารู้จักแยกกายแากกิดด้วยสติด้วยปัญญามันก็จะอยู่ได้มันจะปล่อยวางมันจะเป็นอุเบกขามันก็จะไม่กลัวความเจ็บเมื่อไม่กลัวความเจ็บแล้วต่อไปโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่กลัวเพราะ ผลที่เกิดจากโรคภายไข้เจ็บก็คืออะไรก็คือความเจ็บปวดตามร่างกายนี่เองเวลาเป็นไข้มันก็เจ็บปวดมีไข้มีความร้อนสูงในร่างกายเวลานั่งสมาธิมันก็เหมือนกับเป็นไข่ดีๆนี่เวลานั่งแล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาเกิดตัวร้อนขึ้นมา พอมันผ่านเหล่านี้ได้แล้วมันก็ไม่มีความกลัวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็ไม่กลัวกับภัยที่จะมาทำให้ร่างกายตายร่างกายจะตายแบบไหนมันก็ไม่กลัวเพราะมันเห็นอนาคตของร่างกายแล้วว่ามันจะต้องกลายเป็นอะไรไปมันก็กลายเป็นดินน้าหนงไฝายไปส่วนใจที่ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายมันไม่มันไม่มีรูปไม่มีร่างมันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย มันก็ไปตามฐานะของมันถ้ามันละร่างกายได้มันก็ไปเป็นพระสูดาบันไดแล้วมันก็จะไปปฏิบัติทำขั้นที่สูงขึ้นไปต่อไปจนในที่สุดมันก็จะไปถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้เมื่อใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยยึดเคยติดได้แล้วมันก็จะหมดความทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละคือเรื่องของ ปัญญาของพระพุทธเจ้าที่เอามาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกเพื่อให้สัตว์โลกอย่างพวกเหล่านี้ได้เรียนรู้เพื่อที่เราจะได้เอามาใช้แก้ปัญหาที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้ถ้าเราน้อมเอามาศึกษาเบื้องต้นก็ามาทบทวนอยู่เรื่อย เ, อยเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้หลีว่าร่างกายนี้เป็นอะไรท่านบอกว่าร่างกายเป็นธาตุจดินน้ำลมไฟ เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเติบโตเจริญเติบโตแล้วก็ต้องเสื่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแล้วเราต้องรู้จักหัดแยกร่างกายนี้ด้วยการไปฝึกสติด้วยการไปนั่งสมาธิกันถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิแล้วจิตรวมได้แยกใจออกจากร่างกายได้ ขั้นต่อไปเราก็ใช้ปัญญามาสอนเวลาที่จิตมารวมกันเวลาออกจากสมาธิจิตกับร่างกายจะมารวมกันแต่ตอนนั้นจะมีปัญญาคอยเตือนให้ hey, ไม่ใช่เรานะเว้ยตัวนี้ไม่ใช่เรามันจะเป็นอะไรดูแลมันไปเท่าที่ดูแลได้แต่ถ้ามันจะถ้าช่วยมันไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แต่ไม่ไม่ตื่นเต้นตกใจถ้าตื่นเต้นตกใจก็แสดงว่ายังหลงอยู่แต่ถ้าไม่ตื่นเต้นตกใจก็ถือว่าไม่หลง รู้ทันเนีพอรู้ทันแล้วไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันอันนั้นผู้ปฏิบัติจะรู้เองเวลาปฏิบัติมันจะดูที่ตัวตัวใจนี่แหละว่ารู้ทันหรือไม่รู้ทันตกใจหรือไม่ตกใจตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้นหวาดกลัวหรือไม่หวาดกลัวนี่นี่คือตัววัดเนี่ยตัวตัวทดสอบอารมณ์ไม่ไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์มาคอยมา ทดสอบอารมณ์ว่าตอนนี้อารมณ์ของคุณเป็นยังไงไม่ต้องหรอกผู้ปฏิบัติจริงๆเพระพุทธเจ้าบอกมันเป็นสันติโกอาจารย์เพียงแต่เป็นผู้คอยชี้แนะหรือคอยแก้ปัญหาเวลาที่ไปติดกับปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเราแก้ไม่ได้นะหน้าที่ของอาจารย์แต่หน้าที่ของอาจารย์ไม่ได้มาสอบอารมณ์เราต้องเป็นผู้ทดสอบอารมณ์ของเราเองนะ เรียกว่าสันติโกธรรมนี้เป็นสันติโกที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าเรามีธรรมนี้อยู่ในใจหรือเปล่าว่าเรายังทุกข์หรือไม่ทุกข์นะี่ยูดดูที่ตัวนั้นเท่านั้นเองนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายที่เกิดจากโควิดสิบ แต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยของจิตใจนี้ไม่ได้เกิดจากโควิด -19 mm hmm. เกิดจากสกายาทิติขอให้เรามาแก้สกายาทิติกันโควิด mm hmm. 1 COVID ิบก mm hmm. ก็ฝากหมอฝากโรงพยาบาลเขาช่วยแก้ให้เราแต่สกายาทิติหมอกับพยาบาลแก้ให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้แก้เองที่มาของคำว่าอัตติอ ah ัตโนนาโตปัญหาใจนี้คนอื่นแก้ให้เราไม่ได้ เราต้องเป็นผู้แก้เองก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมูตนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะฮิโตทินังเปตานังอุปกปติออติตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาโสัพเเปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะธาไมณิโชติราโสยะ ทาสัพพิติโยวิวัชชันตตสัพพโรโควินัสโตมาเตภวตวันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังุทธาปจายโนจตารุธรมมวทาติอายุวันโอสุขังพา ล, ล, ล่ามเป็นไงทุกคนสบายดีนะสบายดีครับผมงานเจอใจยอังสเบิกบาน <c oughs> <c oughs> เลยเครียดอยู่กับตัวแรงันนี้ขึ้นเท่าไหร <c oughs> ่นะเมื่อไหร่จะปล่อยให้ออกจากข้ อ, อทีเทียวไอ้เดี๋ยว <c oughs> นี้นายอเมริกาเริ่มออกมาบัตทงนะ่ะกูยอยากจะออกจากข้อแลนะ้ว เขาหวังดีกับไม่เชื่อไม่ชอบก็อยากจะไปเที่ยวกันอยากจะไปเล่นกันเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกแล้ว ก, ก็กิเลสมันแรงมันไม่อยากจะถูกขังอยู่ในครอบทั้งที่ปลอดภัยไม่ชอบอยู่ในกรงทองชอบออกมาอยู่นอกกรงยอมชอบมาเสี่ยงตายกันยอมเสี่ยงตายกันเดี๋ยวก็ตายกัน เ, นเบื่อ เราดูเหตุผลดีกว่าเชื่อเชื่อความจริงดีกว่าอย่าไปเชื่อกิเลสกิเลสเรามันจะเหล่าเราว่าไม่เป็นไรหรอกไปเที่ยวกันอยู่ห่างกันเดี๋ยวเปแล้วมันก็จะทุกข์นะจะลำบากอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่ามะม่วงเปรี้ยวสู้มะม่วงหวานไม่ได้ไปเที่ยวตอนนี้แล้วเดี๋ยวกลับมานอนติดโควิดนี้มันจะ มันจะเดือดร้อนนะรู้งี้กูไม่เอาดีกว่าแอ่มันสายไปใชแล้วส่วนใหญ่คนเรามักจะเป็นอย่างเนี้ยชอบเก่งเอชอบท้าทายพอเวลาโดนเข้าแล้วทีนี้มาล้องโอดคนกาง <c oughs> เวลาไม่เป็นก็คิดว่าตัวเองเก่ง <c oughs> พอโดนเข้าแล้วทีนี้ถึงจะรู้ว่าโอ้โหยู้อย่างงี้เชื่อหมอดีกว่าเชื่อผู้รู้ดีกว่า <c oughs> เชื่อผู้รู้แล้วปลอดภัยทางร่างกายก็เชื่อหมอเชื่อยานี่แหละทางจิตใจก็ให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระุทธเจ้าแล้วจะปลอดภัยทางจิตใจจิตใจจะไม่ทุกข์กับใครไม่ทุกข์กับอะไรเพราะจิตใจไม่มีความอยากได้อะไรจากใครจิตใจไม่ยึดไม่ติดอะไรกับใครแม้แต่ร่างกายของตนเองก็ไม่ยึดไม่ติดจิตใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน ไอ้โควิดนี้มันก็ดีนะมันมาทำให้โลกดีขึ้นหนึงเยอะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แทบจะแก้ได้ภายในระยะเวลาเพียงเดือนเดียวเนะี่ยเขาถ่ายรูปแม่น้ำคงคาให้ดูธรรมดาจะมีคนล้นเต็มทั้งสองฝั่งฝั่งตอนนี้ไม่มีคนเลยแล้วก็น้ำใสเหมือนกับน้ำในสระว่ายน้ำเลยภูเขาหิมาลัยที่เขาไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้มองเห็นได้อย่างชัดเจน อย่างนี้มองขึ้นไปดูท้องฟ้าสิมีฝุ่นพีเอมสองจุดห้าไหมห่มีเลยอากาศบริสุทธิ์ดีนะเนี่ยความจริงลดปัญหาเรื่องมลพิษภายทางธรรมภายทางด้านสิ่งแวดล้อมได้เยอะแยะไปเลยรถก็ไม่ติดไปไหนมาไหนสบายน้ำมันก็ถูกจนะไป <laughs> จะไปเกีียดโควิดก็ไม่ได้นะความจริงมันคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องการเนี่ยมากก้ปัญหาเพราะพวกเราพูดกันดีๆไม่เชื่อเนี่ยต้องใช้ไม้เลียวเ <c oughs> น ไ, ไอโควิดเนี่ยเหมือนไม้เลียวเนามาพายกันทีสองทีตายไปสักยี่สิบเปอร์เซ็นตทีนี้ก็อะไรกลัวกันใหญ่นะส่วนใหญ่คนที่ตายนี้ไม่ได้แช่งนะก็เป็นคนที่ใกล้าตายแล้วทั้งนั้ น, นแหละใช่ไหม <c oughs> อันนี้ไม่ได้แช่งนะด่าใค้อ ย, อ ย, อยู่แต่ความจริงดูความจริงเขาก็ต้องภายตายภายในไม่กี่เดือนกี่ปีนี่แหละเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นคนอายุแปดสิบเก้าสิบเข้าไปแล้วก็มีโรคภัยประจำตัวอยู่แล้วถ้ามองไปในแง่ดีก็ลดค่าใช้จ่ายไปเยอะนะค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลค่าอะไรต่างๆอันนี้พูดมองทำแง่ธรรมะพระพุทธเจ้าบอกว่า ร่างกายนี้อย่าไปปรวิงมันเลยพระพุทธเจ้าบอกร่างกายของเรานี่ถ้าจะยืดให้มันอยู่ถึงร้อยยี่ยี่สิบปีก็อยู่ได้แต่มันต้องมีคนมาคอยดูแลมาคอยช่วยแล้วท่านพูดกับพระอานุนพระาอนนุนก็เป็นคนที่จะต้องคอยดูแลท่านพูดแล้วพระอานุนไม่กระดิกผฟังแล้วไม่เข้าใจหรือไม่ ไม่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ากําลังพูดกาบอนน์ว่าอนนท์ถ้าเธออยากจะให้เราอยู่ถึงร2อยี่สิบปีนี้เธอต้องขอร้องให้เราอยู่นะเราถึงจะอยู่เพราะเธอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราเพราะเธอจะต้องเป็นผู้ปุปถักเราต่อไปอนนท์ไม่พูดพระพุทธเจ้าแสดงพูดหลายครัง้งสา ม, ส, ามสี่ครั้งด้วยกันทุกครั้งว่าอนนท์ฟังแล้วก็เฉยเฉยไม่ได้พูดอะไรพระพุทธเจ้าเลย ก็เลยรับสัญญาณว่าอ๋อนอนนท์ไม่อยากจะรับภาระนะแล้วพระเจ้าก็เลยพิจารณาว่าร่างกายของเราถ้าไม่ไปยืมมันก็คงจะอยู่ได้แค่แปดสิท่านก็เลยบอกว่าพอถึงเวลานั้นก็ปล่อยให้มันไปนั้นพอสามเดือนก่อนจะถึงเวลาท่านก็พูดว่าอีกสามเดือนเราจะจากพวกเธอไปแล้วนะร่างกายของเรามันจะอยู่ไปไม่ไหวแล้วตอนนั้นอานอนท์ถึงมาพูด ขอให้ท่านอยู่ต่อไปเถิดผมจะคอยรับใช้อุปถากท่านอย่างเต็มที่พระบุตรเจ้าบอกอานนท์มันสายไปเสียแล้ว yeah. Yeah. เราได้พูดให้เธอฟังหลายครั้งแล้วแต่เธอไม่เคยพูดเลยแม้แต่ครั้งเดียว yeah. Yeah. Yeah. ถ้าเราไปพูดตรงๆเดี๋ยวที่เขาจะหาว่าเราอยากจะอยู่แต่ในใจถาถาคนไม่อยากจะอยู่ เพราะสังขานี้มันเป็นภาระหนักมากต้องเลี้ยงดูมันเนี่ยหายใจทุกวินาทีเนี่ยต้องคอยเดื่มนม้ำต้องคอยให้อาหารมันต้องคอยเดินออกกำลังกายต้องทำอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วต้องนวดเส้นนวดสายเส้นสายมันแข็งมันตึงต้องมีคนมาคอยดูแลรับใช้เนงั้นถ้าเราไปบอกอานนว่าอานน์ถ้าเธออยากจะให้เราอยู่นานๆเธอต้องรับใช้เราเนี่ยมันก็เป็นการ เผยไตว่าเรายังมีความอยากอยู่ต่อไปก็ <Yeah. S 2> เลยพูดอย่างนั้นไม่ได้ก็ <Yeah. S 2> เลยต้องพูดตามความเป็นจริงว่าคนที่มีอิทธิบาทสี่อย่างพระพุทธเจ้าพาระอรหันต์ี่มีพลังจิตที่สามารถยืด mm hmm. ดึงร่างกายนี้ให้อยู่ต่อไปได้ถึง1้อยยี่สิบปีเมื่อไม่มีใครเสนอที่จะมารับใช้พระพุทธเจ้าก็เลยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะ yeah. yeah. พาราฮาเวปัญจขันธาพาลาลว่าพาระขันห้าคือร่างกายเป็นพาละที่หนักยิ่งปล่อยวางมันได้แล้วสบายกว่าอานิจจาวตาสังขาราอุปปาฏวยะธัมมิโนอุปปจิตตวานิรุชนติเอสังอุปสโมสุโขแปลว่าสังขารร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็มีดับ มีแก่แล้วมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายปล่อยวางสังขารได้นี้เป็นความสุขอย่างยิ่งพอไม่มีสังขารต้องมาเลี้ยงดูแล้วสบายแ ม, ม้แต่สังขารของคนอื่นก็สบายคนที่ต้องมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พอพ่ อ, พอแม่ตายแล้วรู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องมาคอยเลี้ยงดูสังขารไม่ว่าจะเป็นของข้เป็นภาระทั้งนั้นอันนี้ไม่ได้พูดว่าไม่ให้ลูก เรียกดูพ่อแม่นะอันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟัง อ, อันนี้เป็นเหตุหมฮะที่ทำให้พานนอยู่ถึงรอยีสิบปีก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะนี่ยพระนนท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านก็มีอิทธิบาทสี่มีพลังจิตที่สามารถที่จะรักษาร่างกายของท่านให้อยู่ได้ร่างกายแต่ละคนมันอาจจะมีเหตุปัจจัยมาไม่เท่ากัน อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บมีพันธุกรรมมาไม่เหมือนกันอันนี้ก็อาจจะทําให้ร่างกายของบางคนอยู่สั้นอยู่ยาวได้ในร่างกายของพ่ออานนอาจจะมีมีพันธุกรรมที่ดีก็ได้แล้วก็อาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาได้เรียนบทเรียนมาก่อน <c oughs> <c oughs> แล้วก็เลยคอยขอร้องให้อยู่ไปนะ้อยเท่าไหท่านก็เลยมีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปเพื่อทําประโยชน์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเอง วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่เฟซบุ๊กห้าร้อยเจ็ดสิบหกูทูบสองร้อยเจ็สิบเอ็ดวิทยุออนไลน์สิบสองรวมทั้งหมดแปดร้อยห้าสิบเก้ากประาจัดแปดร้อยเท่าไหร่นะแปดร้อยห้าสิบเก้าครับห้าส <800 S 2> <85 9 S 1> ิบเก้า <59 S 1> บวกเอ็ก6์หกกจาแปดร้อยหกสิบ เก้าสิบหกเนียแล้วก็บวกอีกหกมาก็แรอหกสิบห้าบวกอีกห <8 65, S 2> กก็เป็นแป1รอยเจ็ดสิบเ็ดแล้วบวกแล้วคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้คำถามฝากถามค่ะถ้าคนรักกันไม่ว่าจะฉันคู่รักหรือฉันพ่อแม่พี่น้องมีเรื่องที่ยังไม่เข้าใจกันหรือ เพียงมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ได้มีอารมณ์โกรธกันควรจะพูดคุยสอบถามสาเหตุเพื่อปรับความเข้าใจกันก่อนหากไม่เข้าใจในเหตุผลของกันและกันรจริงๆจึงค่อยใช้วิธีการยอมหยุดเย็นและคิดว่าเขาเป็นอนัตตาตามที่พระอาจารย์สอนใช่หรือเปล่าคะเพราะอนัตตาไม่ใช่การไม่พูดคุยไม่ใช่การตัดบทไม่หาสาเหตุเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกัน อย่างนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะก็อยู่ว่าพูดกันได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ยินดีที่จะพูดด้วยก็พูดไม่ได้ถ้าเขายินดีที่จะพูดก็พูดไปถ้าไม่ยินดีไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้ก็ตัวใครตัวมันก็ต่างคนต่างอยู่ไปแต่อยู่แบบอุเบกขาคือไม่รักไม่ชัง ก็ปล่อยเขาเขาอยู่ไปตามเรื่องของเขาเขาชอบกินกว๋วยเตี๋ยวก็ปล่อยเขากินไปเราชอบกินข้าวผัดเราก็กินข้าวผัดของเราไปไม่ต้องมาปรับตัวว่าวันพฤหัสกินข้าวผัดวันศุกร์กินกว๋วยเตี๋ยวล้วต้องมาบังคับให้กินกันก็ปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของแต่ละคนก็แล้วกันแต่เราไม่มีความความเกลียดชังเขาในหตการที่เราไม่ได้พูดกับเขา เรายังมีเมตตาอยู่แต่เพียงแต่เราไม่สามารถใช้เมตตาได้ในตอนนั้นเราก็ต้องใช้อเบกขาไปก่อนแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เขาต้องการความช่วยเหลือเดือดร้อนเช่นตอนนี้เขาอาจจะตกงานไม่มีข้าวกินเะเราก็ส่งข้าวไปให้เขาส่งได้ทำได้เมตตาต่อกันได้กรุณาต่อกันได้ถ้าเขาได้ดิบได้ดีก็ชื่นชมยินดีแสดงความยินดีกับความ สุขความเจริญของเขาก็ได้ผมวิหารสีนี้เป็นเหมือนเกียร์รถยนต์ที่เราจะต้องรู้จักเปลี่ยนบางทีอยู่บนถนนที่วิ่งรถวิ่งช้าก็ต้องใช้เกียร์ต่ําขึ้นถนนที่รถวิ่งเร็วได้ก็ใช้เกียร์สูงถ้าต้องกลับรถก็ต้องเข้าเกียร์ถอยหลังอย่างนั้นก็มีเกียร์ต่างๆถ้าต้องจอดรถก็ต้องเข้าเกียร์ว่างอันนี้ก็เหมือนกันการสัมผัสสัมพันธ์กับคนเรามันก็ มีเหตุการณ์ต่างๆที่มากำหนดให้เราใช้เกียร์ใดเกียรหนึ่งไม่เมตตาก็กรุณาไม่กรุณาก็มูดิตาไม่มูดิตาก็อุเบกขาไปคำถามจากคุณเอเฟิร์นค่ะกลับเียนถามพระอาจารย์ว่าพระโสดาบันประเภทที่ท่านจะต้องเวียนมาเกิดอีกสามชาติเจ็ดชาติแต่ละชาติที่ท่านเวียนไปเกิดนั้นถ้าท่านยังไม่ได้ฟังพระธรรมหรือ เรียนรู้พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านจะล่วงเกินศีลห้าได้ไหมครับโอ้เป็นพระโสดาบันนี้ได้ทำพระคุทธเจ้าเต็มคัมภีร์แล้วเต็มทั้งตู้พระไตรปิฎกแล้วพอเป็นพระโสดาบันแล้วทีนี้มีทำเคลื่อนที่อยู่ในบัรจุอยู่ในใจแล้วมีพระไตรปิฎกเคลื่อนที่แล้วไม่ต้องไปเจอพระพุทธเจ้าอีกไม่ต้องเจอพระอาราณเห็นอีกไม่ต้องเจอพระพุทธศาสนาอีก เกิดมาถ้ามาเกิดอยู่ในประเทศที่นับถือศาสนาอื่นท่านก็ปฏิบัติธรรมของท่านไปเพราะท่านมีแผนที่อยู่ในใจของท่านท่านรู้ศัตรูของท่านว่าคืออะไรและจะต้องกําจัดกับมันอย่างไรยังไม่ไม่ไ ม, มีไม่จําเป็นที่จะต้องอไปมีธรรมะคาสั่งคําสอนเองสามารถค้นคว้าใต้ด้วยตนเอง แต่ถ้ามีคนสอนมันก็ช่วยให้เร็วเพราะคนคนที่รู้แล้วก็จะได้ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกแต่ถ้าไม่มีคนรู้มาบอกก็ต้องลองผิดลองถูกไปแต่มันก็จะไม่หลงทางมันรู้ว่าถ้าทําำผิดแลด้วท่านนี้ไม่ใช่ทางก็ต้องมาอีกทางคำถามจากคุณอภิวัติคะ่ะถ้าเราเกิดอยากบวชอยู่แล้วแต่ครอบครัวไม่กล้าให้บวชเพราะกลัวบวชแล้วไม่สึก เราจะทำอย่างไรดีครับเพราะเราอยากบวชไม่จริงรอิอยากบวชจริงช้างมันจะมาฉุดได้ให้ไหนพระพุทธเจ้าเนี่ยบวชจริงใช่ลูกยังฉุดไม่ได้ใช่าะพอรู้ว่ามีลูกก็ไปเลยดีกว่าถ้าอยู่ต่อไปลูกมันต้องฉุดแน่แน่คำถามจากคุณวิโรธค่ะนอกจากขันห้าเราจะพิจารณาตายรักในมรรคแได้หรือไม่ครับเพราะลงท้ายด้วยชอบหมด มรรคแปดจะเข้าไตรลักษ์ได้หรือไม่ครับมรรคแปดนี่มันมันทางเดินซึ่งมีเป็นส่วนของไตรลักษ์อยู่แล้วก็คือมรรคคือปัญญาไตรลักษ์ก็คือปัญหาคือสิ่งที่สิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหามันเป็นไตรลักษ์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับสั่งการได้ อันนี้เราพิจารณาสิ่งต่างๆที่เราไปยึดไปติดไปทุกข์ด้วยมรรคแปดไม่ต้องไปพิจารณาพิจารณามรรคแปดเพื่อเอามาใช้ในการแก้กความทุกข์มรรคแปดนี้เป็นเครื่องมือแก้กความทุกข์เราต้องรู้ว่าเราต้องมีอะไรบ้างมีศีลมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญานั่นแหะคือมรรคแปดถ้าไม่มีเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาคํ <c oughs> าถามจากคุณสมพรคะ่ะ เมื่อนั่งสมาธิจนนิ่งแล้วจะมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองนั่งร้องไห้หนักมากได้แต่นั่งดูตัวเองร้องไห้พอมีสติก็พูดโทรต่อหนูกราบขอคาแนะนำค่ะว่าถ้าเห็นแบบนี้อีกควรจะทำอย่างไรต่อคะก็กลับมาพูดโทต่อแสดงว่ายังไม่สงบนะถ้าสงบแล้วมันจะว่างไม่มีอะไร ถ้ายังมีนู่นมีนี่อยู่มีอาการต่างๆอยู่ยกเว้นถ้ามันสุขอย่างนี้เรียกว่ามันมีความรู้สึกว่าลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงขึ้นมานี้อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ถูกแต่ถ้ามีอารมณ์ต่างๆยังเกิดขึ้นอยู่มีภาพมีเสียงมีกลิ่นมีรสอยู่นี้แสดงว่ายังไม่สงบต้องพุโทโธต่อไปคำถามจากคุณอุมาค่ะสิ่งต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในร่างกายนั้นคือธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นและต้องดับไปอยู่แล้วเสมอเสมอดังนั้นถ้าจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็จะไม่ก่อเกี่ยวกับสิ่งนั้น น, นมาเป็นอารมณ์และจะไม่วันไหวต่อสิ่งนั้นๆั้นใช่หรือไม่เจ้าคะและถ้าทำอย่างนั้นได้สติจะต้องสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่เจ้าคะสติอย่างเดียวไม่พอหรอกเพราะสติมันไม่สมบูรณ์ตลอดเวลาสติมันมีพังมีเพิมี มีหยุดมีพักผ่อนต้องมีปัญญาถึงจะสามารถทำให้จิตตั้งมั่นได้ตลอดเวลาต้องเห็นไต้ลักตลอดเวลาถึงจะสามารถที่จะไม่ยึดไม่ติดไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดได้คำถามจากคุณธรรมนันค่ะเมื่อสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิภาวนาไประยะหนึ่งจะรู้สึกถึงความปวดจิตพิจารณาอยู่ที่ความปวดที่เหมือนเป็นคลื่น ปวดมากบ้างน้อยบ้างและภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆลองให้จิตพิจาราณาอย่างอื่นเช่นผมขนเล็บฟันหนังแต่จิตไม่พิจาราณาจึงพิจารณาว่ามีกายคือรูปที่นั่งอยู่เวทนาคือความปวดที่กำลังมากน้อยจิตคือผู้รู้กายและเวทนานี้และสิ่งทั้งหลายนี้คือธรรมวนอย่างนี้ได้สักพักเดียว จิตก็ไม่พิจารณาต่อจึงภาวนาได้แต่พุโทโธพุโทโธแล้วก็ออกจากสมาธิรวมเวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าถึงสามชั่วโมงขอความกรุณาจากพระอาจารย์ให้แนะนำเรื่องการภาวนาด้วยครับมันก็ทำถูกแล้วแหละเพียงทำยังไม่ถึงขั้นที่มันปล่อยก็ต้องทำไปสลับกันได้พุโทโธบ้างพิจารณาบ้างเป็นลินน้านมไฟไม่ใช่เราเตาคือผู้รู้ก็ให้รู้เฉยๆไป น่างกายเป็นดินน้ำลมไฟก็ให้มันนั่งเฉยๆไปเวทนามันแสดงาการก็ให้มันแสดงไปคืออย่าไปจัดการอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆคิดว่าเป็นเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านฝนตกเราคนที่นั่งอยู่ในบ้านเราก็เห็นฝนมากระทบกับละกับหลังคาหลังคามันก็เป็นเหมือนร่างกายฝนก็เป็นเหมือนกับเวทนาที่มากระทบกับร่างกายเราเป็นคนที่อยู่ในบ้านเราก็เพียงแต่รับรู้ไปเราไม่ต้องไป วุ่นวายกับหลังคาไม่ต้องไปวุ่นวายกับฝนปล่อยฝนมันตกไปไปล่อยให้รังคามันรับฝนไปร่างกายก็เหมือนกันปล่อยให้มันรับความเจ็บไปผู้ที่รับความเจ็บก็คือร่างกายกระดูกเอยเนื้อเอวนังเอยผู้ที่รู้นี่ไม่ได้เป็นผู้รับผู้ที่รู้เป็นเพียงแต่ผู้ที่รับรู้เฉยๆผู้ที่เห็นผู้ที่ดูเหมือนคนดูหนังเนี่ยดูหนังแล้วไม่ต้องไป ร้องผมล้องให้ไปดีใจกับคนที่เขาแสดงในโรงหนังเนอะในจอหนังใช่เที่เป็นเป็นยังไงก็เพราะเนี่ยเสิรแล้วกลายเป็นคนแสดงไปซะแล้วกลายเป็นตัวแสดงไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกัน เวลาร่างกายเจ็บแล้วใจเจ็บในแสดงกายเป็นร่างใจกลายเป็นร่างกายไปแล้วใจไม่ได้เป็นผู้รู้เราจรึงต้องดึงใจออกจากร่างกายให้รู้เฉยๆให้สั่งแต่ว่ารู้ด้วยอุเบกขาแล้วร่างกายเป็นอะไรใจก็จะรู้เฉยๆได้เวทนาจะแรงขนาดไหนก็รู้เฉยๆได้ร่างกายจะหยุดหายใจก็รู้เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไปดูแบบคนดูหนังก็ ก็เสร็จพอร่างกายเป็นอะไรร่างกายหายก็ดีใจพอร่างกายเจ็บขึ้นมาก็วิตกกังวลหวาดกลัวขึ้นมาต่างๆนั่นนะเพราะใจไปเป็นร่างกายเสียแล้วตอนนั้นใจไม่ได้เป็นผู้รู้เี่คนที่เขาเล่าให้ฟังนี้เขาพยายามแยกสามตัวนี้อยากว่าร่างกายนี่ก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำหนุนไฟเวทนาก็เป็นเหมือนไฟที่ลุกเผาร่างกายก็ได้ ใจก็คือผู้รู้ผู้ดูร่างกายที่กําลังถูกไฟของเวทนาเผาก็ปล่อยมันเผาไปเถอะมันไม่ได้เป็นเราเหมือนเราไปดูงานศพที่เขาเผาศพแบบสดๆเนี่ยแล้วก็นั่งดูไปเท่านั้นเองไฟก็เผาร่างกายไปคนดูก็ดูไปเฉยแต่คนดูถ้าไปยึดปติก็ร้องไห้เหมือนร่างกายของพ่อแม่ของสามีของภรรยาขึ้นม า, นมาก็ร้องไห้ แต่ถ้าคนที่ดูด้วยปัญญาก็มันเป็นแค่ดินน้ําลมไฟก็ดูไปเท่านั้นเองนี่แหละคือปัญญาต้องดูให้เห็นว่ามันเป็นแค่ธาตุสีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นธาตุสีดินน้ําลมไฟมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาใจผู้รู้ไม่ได้ดับไม่ได้เป็นอะไรไปกับธาตุสีใจเป็นธาตุรู้ก็ให้รู้ไปตามธรรมชาติของใจใจก็จะไม่ทุกข์ คำถามจากคุณรุ่งฤดีค่ะช่วงระหว่างวันที่ไม่ได้นั่งสมาธิจิตจะรู้ว่าใจคิดไปหลายอย่างทั้งวันจะดึงจิตมานึกพุทโธสลับไปมาตลอดวันจะรู้สึกว่าจิตนี้ไม่นิ่งอยากจะเป็นแบบนี้แบบนั้นจะต้องสอนจิตอย่างไรเจ้าค่ะสอนไม่ได้เราก็ให้มันสติอย่างเดียวนะ่ะสอนไปก็ยิ่งคิดใหญ่ สอนก็สอนสั้นๆ ส, สอนว่าอย่าคิด <c ười> คิดแล้วก็มีปัญหาหยุดคิดด้วยพุทโธดีกว่ามาคิดพุทโธพุทโธดีกว่าสอนได้แค่นี้ถ้าสอนยาวมันก็คุยกันไปคุยกันไปเถียงกันไปเถีย ง, งกันมาแล้วจะเอาวิธีไหนวิธีนั้นดีไหมหลวงพ่อองค์นั้นดีกว่าหลวงพ่อองค์นี้หรือเปล่า <c ười> เดี๋ยวก็วุว่นวายไปกับความคิดอีกเห็นหยุดคิดอย่าไปสอนสอนว่าหยุดคิดสั่งมันหยุดคิดดีกว่าไม่ต้องไปสอนสั่งมันเลยให้ตะหยุดคิดหยุดด้วยพุทโธก็ได้ ถ้าเฝ้าดูร่างกายได้ก็ดูร่างกายไปกําลังตักน้ํากําลังล้างหน้ากําลังแตงฟันก็ให้มันอยู่กับการล้างหน้าแตงฟันไปอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถ้ามันยังไปอยู่ก็ต้องใช้พุทโธพุทโธก็ได้พุทโธไม่ได้ก็สวดอิติปิโสไปก็ได้แล้วแต่อันไหนเราจะถนัดเราจะชอบเราก็ใช้ได้คํำถามจากคุณโว ค, ค่ะการปฏิบัติที่เริ่มจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนที่ละเอียด จากรูปธรรมไปหานามธรรมในส่วนที่เป็นนามธรรมที่เป็นนามขันจะต้องปฏิบัติไล่จากส่วนที่หยาบไปหาส่วนที่ละเอียดหรือไม่อย่างไรครับก็เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังส่วนหยาเพื่อทางตาหูจมูกนิ้นกายรูปเสียงกล่นรดลาบยศจระเิญพิจารณาว่าเป็นตายแล้เป็นทุกข์น่ยตัดมันแล้วก็มาพิจารณาส่วนหยาคือร่างกาย ว่ามันไม่เที่ยงเก่าแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายต้องแก่แล้วก็มา ส, ส่วนที่ละเอียดก็คือเวทนาเวทนามันละเอียดกว่าร่างกายร่างกายยังเห็นด้วยตาได้แต่เวทนานี้เห็นด้วยด้วยตาไม่ได้ต้องเห็นด้วยความรู้สึกก็ต้องสัมผัส ด, ด้วยใจตัวนี้ก็ต้องปล่อยเหมือนก็ปล่อยทุกอย่างพิจารณาเป็นตายรักเหมือนกันปล่อยเหมือนกันส่วนใหญ่การปล่อยร่างกายกับเวทนามักมันมักจะปล่อยควบคู่กันไป เช่นเวลานั่งแล้วเกิดอาการเจ็บเกิดเวทนาขึ้นมาก็ปล่อยร่างกายให้ร่างกายอยู่เฉยปล่อยเวทนาให้มันสแสดงอาการของมันไปใจเป็นผู้รู้ก็ให้รู้เฉยๆไป okay. คำถามจากคุณคณาพรชัยค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วหายใจไม่ออกประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็ตัวสั่น ควรทำอย่างไรต่อครับก็ไม่มีพุทธโธมันก็สั่นเลยนั่งสมาธิไม่ให้นั่งเฉยๆให้นั่งพุทธโธหรือให้ดูลมหายใจเขาออ้าให้มีอะไรควบคุมใจคำถามจากคุณกิติยาค่ะถ้าเราถูกใส่ความในสิ่งที่เราไม่ได้ทำผิดซึ่งตอนแรกเราก็ปฏิเสธและวางเฉยแต่อีกฝ่ายก็ยังตามหาเรื่องไม่หยุดจนเราต้องแจ้งความดาเนินคดีและอีกฝ่าย ก็ยังไม่ยอมรับความผิดในสิ่งที่กล่าวร้ายเราเราควรจะวางใจอย่างไรดีคะก็เหมือนฝนตกอะอนตกจะไปห้ามมันไม่ให้มันตกได้ไงมันจะตกก็ปล่อยมันตกไปมันจะหยุดมันก็หยุดของมันเองงั้นใครจะทําอะไรเราก็มองให้เขาเหมือนเหมือนกับเรามองฝนก็แล้วกันเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะทําไงก็ปล่อยเขาทาไปเราทําตัวเราให้ดีก็แล้วกันถ้าเราผิดเราก็แก้ไขเสียให้มันถูก คำถามจากคุณอดิพงค่ะพอดีผมอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกไปทำบุญที่วัดเหมือนอยู่ที่ในประเทศผมจึงชอบโอนเงินไปทำบุญเช่นสร้างโรงพยาบาลสร้างกุฏิและชอบโอนเงินไปให้น้องชายซื้อน้าและอาหารถวายพระอุทิศไปให้พ่อไม่ทราบว่าไม่ได้ไปทำบุญด้วยตัวเองอย่างนี้คุณพ่อจะได้รับอนิสง์จากการทาทานที่เราอุทิศไปให้ไหมครับได้ เป็นบุญเป็นเงินของเราพอเราบอยจากไปป๊อเราก็ได้บุญขึ้นมาคือความรู้สึกในใจเรานั่นแหละเวลาทำแล้วเราจะรู้สึกใจโล่งใจเบาใจสุขขึ้นมานั่นแหละคือสิ่งที่เราจะอุทิศให้กับผู้ที่โล่งรับไปแล้วความอิมอ่มเอิบใจความสุขใจสบายใจเพราะคนที่เป็นดวงวิญญาณนี้บางทีเขาหิวโหยพอเขาได้รับบุญที่เราได้รับความอิมอ่มเอิบใจแบ่งให้เขาเขาก็จะเกิดความอิมอ่มเอิบใจเกิดความสุขใจขึ้นมา คำถามจากคุณธรรมนันค่ะการภาวนาสามารถภาวนาด้วยพุทธโธหรือสวดบทอิติปิโสหรือสวดบทมนอย่างอื่นๆจะสั้นยาวได้เหมือนกันไหมครับในเบื้องต้นถ้าเราไม่สามารถที่จะใช้พุทธโธได้ไม่สามารถดูลมหายใจได้เวลานั่งเราก็สวดมนไปภายในใจก็ได้บทไหนก็ได้สวดไปจนกว่าใจจะเบ า, จะ เ, บาจะเย็นจะสบาย แล้วก็ลองต่อด้วยพุทโธแล้วต่อโดยการดูลมหายใจต่อไปคำถามจากคุณใหญ่ค่ะเวลาเราสวดมนต์แล้วรู้สึกขนลุกเป็นอาการอย่างไรอะไรครับเขาเรียกว่าปิติเวลาเกิดขนลุกขึ้นมาจากคุณคําถามจากคุณแอมแปงค่ะถ้าเรากําลังได้รับวิบากกรรมเราจะต้องทําอย่างไรคะก็เหมือนตอนที่ฝนมันตกเราจะทําไง ก็ลอยฝนมันหยุดก็ปล่อยมันตกไปถ้าเราทําอะไรบรรเทาได้ก็ทําไปถ้าเราเป็นนักภาวนาเราก็พุทโธพุทโธไปแต่เราจะไม่ไปตอบโต้กับวิบากกรรมปล่อยให้มันตกให้มันไม่พอให้มันเกิดให้พอพอมันหมดแรงแล้วมันจะได้ไม่กลับมายุ่งกับเราอีกเหมือนคนถ่ายท้องแล้วปล่อยให้มันถ่ายให้มันหมด หมดแล้วมันจะได้ไม่ต้องมาลบกลัวเราอยก่ถยังถ่ายไม่หมดเดี๋ยวมันก็จะดึงให้เราเข้าห้องน้ําอยู่เรื่อยๆไอ้เวลาเราเจอวิบากกรรมนี้ก็ยอมรับมันเสถิดอย่าไปหนีมันอย่าไปห้ามมันปล่อยให้มันไปเราก็มารักษาใจเราอย่างเดียวมาพุโทโธพุโทโธทําใจของเราให้สงบแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับวิบากกรรมที่เกิดขึ้นคําถามจากคุณธรรมนันค่ะ ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธถี่ไปเรื่อยๆไม่ดูลมหายใจไม่ได้ดูที่ลมเลยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้อาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คําถามจากคุณคําถามจากคุณไข่มุกค่ะถ้าเจอพระธุดง์ที่ท่านขอให้เราถวายสิ่งของให้แบบนี้จะผิดไหมคะเราไม่ผิดแต่พระผิดเนี่ยพระไม่ให้ขอจากคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่เป็นญาติคนที่ก็ไม่ได้ เสนอตัวก่อนว่าขอได้ถ้าเจอคนแปลกหน้าแล้วก็ขอเขาแต่ถ้าพูดบอกบุญนี้พูดได้อยู่แต่ขอไม่ได้เช่นขอเงินขอนน่นขอนี่นนนนนไม่ได้แต่บอกว่าอาตมาต้องเดินทางไปนู่นไปนี่อไม่มีค่ารถนี้บอกได้แต่คนที่ฟังจะให้ไหม่ให้ก็เป็นเรื่องของคนเขาฟังแต่ถ้าไปขอนี่เป็นเหมือนกับไปไปจี้เขาว่าไปป่นไปเอาปืนไปจี้เขาบอก ถ้าไม่ให้ก็ก็จะรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่สบายใจว่าพระของเงินเรวมาไม่ช่วยเขาเพราะพทธเจ้าไม่ต้องการให้พระไปรบกวนชาวบ้านพูดง่ายๆไม่ต้องการให้เขาเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งที่เขาช่วยได้หรือไม่ช่วยไม่ได้ก็ตามบางทีเขาช่วยได้แต่บางทีก็ไม่อยากจะช่วยแล้วก็ต้องช่วยก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกบังคับเขาก็อาจจะไม่ศรัทธาในพระได้ เห็นพระี้ไม่ควรที่จะไปขอแต่ถ้าเดือดร้อนจริงๆก็พูดเล่าให้เขาฟังได้ว่าเช่นตอนนี้ฝนตกเนี่ยหลังคามันรั่วก็บอกเขาได้เท่านั้นแต่จะไปขอโยมช่วยมาซ่อมหลังคา ห, หน่อยนะพูดไม่ได้คําถามจากคุณปราบที่มีลมหายใจการทําบุญไม่ว่าจะทําบุญกับพระแบบไหนก็จะได้บุญเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะ คือความรู้สึกที่สุขที่เกิดจากการเสียสละนี่เหมือนกันไม่ได้อยู่ผู้รับอยู่อยู่ผู้ที่ให้ถ้าทําด้วยความบริสุดใจทําด้วยความเมตตาสงสารอย่างเนี้ทำแล้วก็จะเกิดความสุขใจเกิดบุญขึ้นมาในใจเหมือนกันทํากับพระทํากับโยมทํากับสซนักทํากับอะไรนี้ความรู้สึกใจ เหมือนกันดังนั้นคนบางคนจึงเลือกทําไงเพราะบางทีเขาทากับเขาชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาก็จะทํากับสิ่งนั้นสิ่งนี้บางคนชอบปล่อยปลาก็าจะไปปล่อยปลาบางคนชอบไปใส่บาตรก็จะไปใส่บาตรเพราะเวลาทําแล้วเขาเกิดความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาอคําถามจากคุณที่วาก่อนค่ะ ลูกชายพึ่งจมน้ำตายเดือนที่แล้วเหลือสองวันจะถึงวันเกิดเขาสิบห้าปีตั้งแต่ลูกชายเสียได้ทำบุญทุกวันไม่ทราบว่าเขาจะได้รับหรือว่าไปพบภูมิที่ดีไหมคะก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพของเขาตอนนี้ว่าเขาอยู่ในสถานภาพใดถ้าเขาเป็นเปรตเขาก็จะมารอรับส่วนบุญได้แต่ถ้าเขาไปอาบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเขาก็รับไปได้ ถ้าเขาเป็นมนุษย์เขาก็ไปหากินเองได้ถ้าเขาไปเป็นเทวดาเขาก็มีบุญติดตัวไปกับเขางั้นก็แล้วแต่สถานภาพของแต่ละดวงวิญญาณคำถามจากคุณโวกค่ะนามขันสี่นั้นถ้าลำดับจากส่วนที่หยาบไปหาส่วนที่ละเอียดที่สุดจะมีลาดับอย่างไรครับมันไม่มันไม่หยาบไม่ละเอียดมันเท่ากันมันเป็นนามคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่ต้องไปสนใจว่ามันอยากด้วยละเอียดสิ่งที่เราควรจะรู้คือต้องปล่อยวางมันเท่านั้นเองรู้จักวิธีปล่อยวางรู้จักวิธีจัดการกับมันวทนาก็ปล่อยวางมันจะสุขจะทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันสังขารถ้ามันจะคิดไปสร้างความทุกข์ก็หยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดไปปรุงแต่งไปสร้างความทุกข์ให้มันพุทโธแทนแทนที่จะไปอยากให้ความเจ็บหายมันจะทุกข์ก็ให้มันพุทโธดีกว่า ไม่จําเป็นจะต้องรู้ว่ามันหยาบละเอียดคัดตัวไหนหยาบ ก, กวอากันละเอียดต่อกันตัวไหนน้ําหนักมากน้อยต่อกันไม่จําเป็นมันเป็นตัวที่เราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับมันมสัญญาก็ต้องรู้ว่าต้องต้องรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา<ม>อย่าไปรู้ว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาอั<ม>นี้คือสัญญาตัวตัวที่จะไปไปมองว่าเป็น เป็นอ น, นิจจังทุกขงังก็นาตาแลืเป็นเป็นเป็นนิจจังสุ ข, ขังหรืออาตาคือตัวสัญญาตัวความจำได้หมายรู้ตัวสังขารก็คือความคิดว่าจะทำยังไงดีจะอยากให้มันหายดีหรือจะอยากให้มันไม่หายดี น, นี้ก็เป็นสังขาร วิญญาณก็เป็นเพียงแต่ตัวรับความรู้สึกจากร่างกายมาสู่ใจว่าตอนนี้ร่างกายเจ็บตรงกระดูกเจ็บตรงเนื้อเจ็บตรงแขนเจ็บตรงขาวิญญาณก็ทำหน้าที่ของมันไปวิญญาณไม่มีมัน ไ, ไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาก็คือตัวสังขารกับสัญญาเนี่ยไปจดจำว่าเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยมันเล พรมานขึ้นมาพอไปจำว่าเวทนาเป็นตัวเราขึ้นมาเราเจ็บใี่มันก็เลยทุกข์ก็เลยเกิดความอยากสังขารปรุงแต่งไปทำความอยากก็ยิ่งทุกข์ใหญ่อยากให้มันหายนี่มันต้องรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราถึงต้องพิจารณาตายรักอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้จำได้ความจำเกา่ามันชอบไปจำว่าเป็นตัวเราของเราเราต้องมา พิจนามาสอนใจหรือเรื่อไม่ใช่ตัวเราของเราเพื่อเราจะได้สังขารจะได้ปล่อยวางมาได้สังขารคิดปล่อยวางไม่ได้คิดยึดติดคําถามจากคุณนัทพล <c oughs> ค่ะกลับ <c oughs> เป็นถามพอาจารย์ครับ <c oughs> เกิดมาชาตินี้เจอแต่คนพาลแต่คนพาลเหล่านั้นมีใจดีแต่ไม่มีศีลไม่มีธรรมผมสวดมนต์นั่งสมาธิที่ไรก็ปรารถนาไม่ให้เกิดมาพบคนพาลอีกอย่างนี้จะได้ผลไหมครับ ไม่ได้หรอกเกิดมาในโลกนี้มันก็ต้องเจอทั้งคนผ่านทั้งคนดีคนดีเราก็เจอแต่เรามักเรามักจะลืม ม, มักจะไปสนใจกันเรื่องคนผ่านิบาทีคบคนพานน้อยกว่าคบคนดีได้ทําไปพ่อแม่ของเราดีไหมคนที่เขาช่วยเราเลี้ยงดูเราส่งเสรมิมเราครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนดีไหมดีดีเยอะแยะไปแต่เราไม่เปเห็นความดีของเขาแต่พอคนไม่ดีคนสองคนมาดา่าเราหน่อยก็ เราคิดว่าเราเจอแต่คนผ่านขึ้นมาความจริงในโลกนี้มันมีทั้งคนผ่านคนดีกับคนไม่ดีผสมกันไปมากน้อยซึ่งเราทุกคนนี้ก็ส่วนใหญ่จะพบกับคนดีเป็นส่วนใหญ่มากกว่าถ้าไม่ฉะนั้นเราจะไม่ได้อยู่มาถึงบัด น, นี้หรอกถ้าเราเจอแต่คนผ่านอย่างเดีย่านนี้ก็คงจะตายไปแล้ว <c oughs> คำถามจากคุณแมนสุวรรณวงศ์ค่ะจิตเกิดดับกับอารมณ์เกิดดับ รวมเป็นสังขารหรือเปล่าครับหลวงพ่อคําว่าสังขารมันมีหลายความหมายสังขารความคิดปรุงแต่งก็อย่างหนึ่งสังขารร่างกายก็อย่างหนึ่งสิ่งที่เกิดจากความคิดการสิ่งต่างๆที่เกิดจากการปรุงแต่งก็เป็นสังขารเช็นโทรศัพท์มือถือนี่ก็เป็นสังขารเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมปรุงแต่งของชิ้นส่วนต่างๆงนั้นคําว่าสังขารนี่มันมีหลายความหมายด้วยกันแต่มันมีความ ความความจริงเหมือนกันมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันคำถามจากคุณธรรมนันค่ะเทวดาจะรับบุญที่เราอุทิศให้ได้ไหมครับเทวดาเขามีบุญเขาไม่หิวเขาไม่ต้องมาขอบุญแต่ถ้าเขารู้ว่าเราอุทิศให้เขาเขาก็จะอนุโมทนาเพราะบุญที่เราส่งไปนี้เป็นเหมือนเงินให้ขอทานเราเอาเงินให้เงินให้ขอทานไปให้เศรษฐีเขาจะว่ายังไง เขาบอก อ, อขอบใจแต่เขามีเยอะกว่าคุณน่าจะเก็บไว้กินของคุณมากกว่าแล้บุญอุทิศนี้ท่านเปียกเหมือนน้าที่ติดอยู่ในแก้วน้ําที่เราเททิ้งแล้วเราเหลือติดอยู่ในแก้วนั่นแหะคือบุญอุทิศมันนิดเดียวแต่มันก็ยังดีสําหรับคนที่ไม่มีบุญเลยได้เลียน้ําในแก้วหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลียอะไร คำถามจากคุณธนากร อ, อยากบวชแต่มีภาระเยอะควรทำอย่างไรดีครับหลวงพ่อก็มีคนถามแบงนี้ทุกคนก็ไม่ได้บวชนะถ้าอยากจะบวชก็ตัดภาระนี่ตัดภาระแล้วมันก็ได้บวชเองถ้าไม่ตัดภาระมันก็ไม่ได้บวชคำถามจากคุณอธิวัตรเวลาตักบาตรโยมเอาปัจจัยให้โยมที่มากับพระที่รับบาตรเป็นการถวายค่ารถพระที่มารับบาตรอย่างนี้จะผิดไหมสุขา ไม่ผิดหรอกถ้าฝากกับลูกศิษย์ไว้แล้วควรจะบอกพระให้ทราบด้วยาบางทีพระไม่ดูเดี๋ยวลูกศิษย์มันงุกงุบงิบได้ลูกศิษย์มันแย่งทำลืมไปพระก็ไม่รู้ว่ามีคนฝากเงินมาให้ในเวลาจะถวายปัจจัยมอบกับพระตัวปัจจัยตัวเงินทองนี้มอบกับพระไม่ได้ต้องฝากหรือมีที่ที่พระบอกให้ให้วางไว้ก็วางไว้ตามที่ท่านบอกแล้วก็บอกท่านให้ทราบว่าได้ถวายปัจจัยไว้ให้กับท่าน แตถ้าฝากลูกศิษย์ไว้นั้นลืมบอกท่านบางทีลูกศิษย์ก็ลืมบอกท่านด้วยพาก็เลยไม่ได้แต่โยมก็ยังได้บุญเพราะโยมได้บริจาคได้บุญอยู่แล้วแะไม่ไปไม่ถึงผู้ที่คนรจะได้รับเท่านั้นเองคำ ถ, ถามจากคุณใหญ่ค่ะอาการปิติที่เกิดจากการเวลาสวดมนต์อะ่ะดีหรือไม่ดีครับเอา้าถามตัวเองแต่ดีไหมล่ะคํ <c oughs> <c oughs> ถาถามจากคุณประพาพรคะ่ะ พบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตหมายความว่าอย่างไรคะใช้ในการทำสมาธิทุกอริยบทได้ไหมคะอันนี้มันเป็นธรรมะทรเมามากกว่าไม่อยากจะตอบ <c oughs> พบผู้รู้ไปทำลายผู้รู้มันก็แสดงว่ามันไม่รู้จริงอะไรผู้รู้มันทำลายได้ที่ไหนนะมันทำลายตัวอัตตาที่อยู่ในผู้รู้ต่างหากผู้รู้มันทำลายไม่ได้ แต่บางทีตัวผู้รู้นี่ไปถืออัตตาตัวตนนั้นน่ะจึงต้องทำลายตัวอัตตาตัวตนผู้รู้นี้ไม่มีวนใครทำลายได้มันเป็นธาตุรู้มันไอ้คนพูดอย่างนี้บางทีอ่านแล้วก็อ๋อถูกทาเมาอย่างนี้เดี๋ยวนี้เยอะเน f a c e b o ฟ k นี่อะไรนี้โอ้ยทเมาเยอะนะ งั้นอ่านอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องใช้หลักการลำสูดอย่าไปเชื่อทันทีทันใดนให้ไปศึกษาให้ไปพิสูจน์ดูไปปฏิบัติดูก่อนถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาพูดก็จะได้รู้ว่าเขาพูดไม่จริงแต่ไม่ต้องปฏิเสธเพราะอาจจะเป็นธรรมที่สูงกว่าที่เราจะรู้ได้ก็ได้ไม่ให้ปฏิเสธแต่ไม่ให้ไปรู้ไปเชื่อทันทีทันใดเอาไปพิสูจน์กันคำถามจากคุณทวัชชัยค่ะ กระแสอารมณ์หรือสภาวะที่กำลังเกิดอยู่เรารู้ตัวอยู่ว่ามันกำลังเกิดรู้ว่าดีไม่ดีแต่ก็ยังยับยังไม่ได้หรือได้บางครั้งอย่างนี้ต้องมีแนวทางอย่างจัดการกับมันอย่างไรครับก็สติเราไม่พอเไม่เราไม่ฝึกสมาธินั่นเองเราก็ต้องหัดนั่งสมาธิหยุดกระแสอารมณ์ต่างหยุดกระแสความคิดด้วยการใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพุโทโธ แด้วดลมหายใจคำถามจากคุณธรรมนันค่ะเอาสตางใส่ย่ามพระเวลาใส่บาทได้ไหมครับถ้าพระถือเองก็ไม่ได้ต้องฝากลูกศิษย์ไว้หมดแล้วเลยสพเจ้าหมดพอดีเวลาก็พอดีสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิพจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเาธุ Turn.